มากันี้มากันาากนะกนีนะ้ครับเดี๋ยวนะกำลังจะเริ่มแล้วนะฮะตามเพื่อนหน่อยนะตามเพื่อนหน่อยนะครับเริ่มแล้วนะครับเริ่มแล้ว โอเคเดี๋ยวนะเดี๋ยวตามเพื่อนๆกันนะตามเพื่อนๆกัอนอีกทีหนึ่งนะเออฝากฝากเขียนในในห้องใหญ่นะฮะห้องหนึงันสร้างเงนล้านนะฮว่าเริ่มไลฟ์แล้วฮะฝากด้วยครับฮะอตอนนี้ส ม, สมาชิกที่ ที่จะแอดมาดูไลฟ์แอดมาได้เลยนะครับปากบอกสมาชิกใหม่ที่จะแอดมาดูไลฟ์นะครับแอดมาได้เลยเนี่ยวันนี้สำคัญมากเรื่องกระ บ, บวนการสร้างความสำเร็จโอเค สวัสดีนะครับคนที่มาแล้วนะฮะสวัสดีฮ ะ, ะทักทายกันหน่อยนะครับทักทายกันหน่อย ดีทุกคนเลยนะครับเดี๋ยวร อ, รอเพื่อนแป๊บหนึ่งนะฮะรอเพื่อนแป๊บหนึ่งนะครับถือบบะจะเริ่มพร้อมกันเลยแปบ๊บหนึ่งนะครับโอเควันนี้สําคัญม า, มากเลยเพราะว่าเรากําลังจะพูดถึงในเรื่องของกระบวนการทั้งหมดนะครับ อตอนนี้ต้าไม่แน่ใจว่าเรากดกันมาดูหมดหรือยังฮะสมาชิกใหมให่ที่มาวันนี้ก็สามารถมาดูได้นะครับฝากบอกนะะในในในกลุ่มไลน์นะครับฝากบอกได้เลยะฮะเพราะว่าวันนี้เป็นเรื่องของกระบวนการทั้งทั้งเรื่องของการใช้งานนะครับแล้วก็ในเรื่องของเอ่อโปรเซสทั้งหมดนะฮะที่จะได้เงินกับตัวเพจคิวนะครับเดี๋ยวนะฮะ วันนี้ก็จะมีทั้งในเรื่องของอตั้งแต่การสมัครสมาชิกไลฟ์เป็นเลยฮะเห็นนะครั บ, <c oughs> รบมีสมาชิกแอดมาอยู่ครับแป๊บหนึ่งนะครับ <c oughs> ลองกปครู่นะฮะ <c oughs> ลองถามเพื่อนๆดูนหน่อยครับว่ามีมีใครหาไลฟ์ หาไลฟ์ในในเฟซบ o ๊กต่อไม่เจอไหมนะครับให้กดไปที่หน้าให้กดไปที่หน้าวอลนะฮะทีนี้ขอความร่วมมือครับในการที่ทุกท่านนะฮะผมเชื่อว่าวันนี้เรื่องที่ผมเรื่องที่ผมจะแบ่งปันเนี่ยหลายๆท่านอาจจะจําไม่ได้หรอกนะครับเราพยายามเราพยายามจะไม่ใช้สมองของเราในการจรําฮะสมองของเราจะมีไว้แค่คิดอย่างเดียวฮะ สมมติเราจมีไม่คิดฮะสมุดเรามีไว้จานะผมใช้เทคนิคนี้เสมอนะมีถ้ามีสมุดจดได้เลยนะโอเคเริ่มเลยไหมให้เริ่มเลยไหมนะฮะคนที่มาแล้วให้เริ่มเลยไหมนะฮอยู่ลฝากดูหน่อยดูคอมเมนต์ด้วยยไม่มีค่ะโอเคีมีมีามาชิที่เริ่มที่มาใหม่อยู่นะครับ มีคนของเพื่อนมาแล้วกดรับนะครั บ, รบพร้อมไหมครับพร้อมไหมฮะสมาชิกพร้อมไหมเอยเริ่มได้โอเคผมเริ่มเลยนะครับเพราะว่าเรานัด ก, กันสองทุ่มเนาะนะฮะ <c oughs> โอเควันนี้ผมจะพูดถึงในเรื่องของ ยังไม่ใช่บอร์ดล้กันวันนี้เนี่ยผมก็จะพูดถึงในเรื่องของกระบวนการนะครับทั้งหมดนะฮะนะฮะมีคนแอดมาอีกแล้วนะฮะคือวันนี้ผมก็จะพูดถึงเรื่องของกระบวนการนะครับตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับจนไปถึงว่าเราทํางานได้เลยว่าเราต้องทําอะไรยังไงบ้างเราต้องรู้อะไรบ้างนะครับและสิ่งหนึ่งเลยที่ผู้นํานะครับคนที่คนที่เป็นผู้นําแล้วเนี่ยนะครับจําเป็นต้อง ต้องเข้าใจในส่วนนี้ยพาคนเข้านะครับในส่วนนี้ให้ได้นะครับเพราะว่าไม่งั้นฮะเราจะเหนื่อยมากๆกับการทํางานนะครับแต่ว่าถ้าเราสร้างด้วยความเข้าใจเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเฮ้ยสเต็ปแต่และสเต็ปต้องทําอะไรบ้างต้องพาคนคนนี้ไปตรงไหนบ้างเฮ้ยคนคนนี้ถ้าเขาอยากรู้เรื่องนี้ต้องใช้อะไรบ้างแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับรวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องกระ บ, บวนการกันนะครับกระบวนการกันนะฮะมีใครมาใหม่อีกไหมัตอนนี้ ก็มีแอมาเรื่อยๆนะโอเคไม่รับแล้วนะฮะอ่าเดี๋ยวเอาเป็นว่าที่อนี้ก็ดูดูย้อนหลังเอาเหมืกันนะครับ <c oughs> วันนี้ตอนจะพูดถึงเรื่องของโปรเซสฮะกระบวนการนะครับในเรื่องของการสร้างความสําเร็จที่เทรดคิวคิว เพราะฉะนั้นนะฮะอย่างแรกเลยนะครับที่เราต้องรู้วันนี้ต้องจะไม่อาราพบทมากนะครับเพราะว่าอยากให้ทุกคนแบบคือเข้าใจจริงๆเลยนะครับอย่างที่ทุกคนทราบกาันดีว่าตอนนี้เรากําลังจะเข้าเข้าสู่ยุค p Q Q สอแล้วใช่ไหมเพราะว่าหลายคนที่สมัครเข้ามาใหม่อาจจะตกใจว่าเฮ้ยสมัครมาเสร็จทํำไปใช้ยังโพสไม่ได้เพราะว่าตอนนี้เรากาลังจะจะเข้าสู่ยุค2องจของ p Q Q แล้วนะครับ แต่ก่อนเป็น 1.0 ใช่ไหมัหมายความว่าก็คือเป็นเป็นแบบเหมือนกับว่าเวอร์ชั่นตั้งต้นเลยให้คนเน่เหมือนกับว่าเราเรากำลังวอร์มอัพเทสระบบกันแต่ทำเงินได้จริงๆนะครับจากการใช้งาน c r y o นะครับเพราะฉะนั้นนะฮะอยากให้ผู้นำทุกท่านที่อยู่ในห้องนี้นะครับที่ที่กำลังดูคลิปคลิปนี้อยู่นะครับให้รู้เลยว่าอันที่หนึ่งเนี่ยกระบวนการที่เราต้องรู้เลยว่ากระบวนการการเข้าใช้งานนะครับเมื่อมันมีกระบวนการการเข้าใช้งานนะฮะมันจาเป็นต้องมีการสมัครสมาชิก ใช่ไหมครับเดี๋ยวนะครับอโอเคนะครับอย่างแรกเลยกระบวนการที่หนึ่งก็คือกระบวนการการสมัครนะครับการสมัครเนี่ยนะฮะถามว่าโอเคค่ะ <Okay. S 1> ไม่ไม่ต้องโทรนะฮะไม่ต้องกดโทรมาหาผมนะฮะให้ดูหน้าให้ดูข้างหน้าเลยนะครับอ่ะโอเค กระบวนการแรกเลยนะครับในการที defense, <that> ่เราจะได้ได้รายได้จากนี้ฮะการใช้งาน Q Q นะครับตอนอื่นเลยเราต้องรู้กระบวนการการสมัครก่อนปกติแล้วกระบวนการสมัครเราอย่างไงครับก็คือนะครับแสดงว่าคนหนึ่งคนนะครับคนหนึ่งคนเนี่ยเวลาจะสมัครสมาชิกเข้ามาใช้งานเนี่ยจำเป็นต้องมีลิงก์นะครับจำเป็นต้องมีลิงก์จําเป็นต้องมีผู้สปอนเซอร์ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเรานะครับในการที่จะสมัครนะครับก็คือส่งลิงก์ นะครับส่งลิงก์นะครับทีนี้เนี่ยขั้นตอนการขั้นตอนการส่งลิงก์นะครับทำยังไงบ้างนะครับก่อนอื่นเลยนะคคุณต้องมียู e r อร์เนームของพาสเวิร์ดซะก่อนเพราะว่าคุณก็ต้องเป็นยูเซอร์แล้วใช่มฮะคุณเป็นคุณต้องมียูเซอร์นะครับยูเซอร์เนี้ยนะครับเราก็จะส่งลิงก์ให้กับผู้สมัครใหม่นะครับผู้สมัครใหม่สามารถทำได้เลยนะครับสาหรับสำหรับการสมัคร ไม่ว่า um, คุณน่ยเพิ่งสมัครมายังไม่อนุมัติก็ตามแต่นะครับฟังดีดนะครับไม่ว่าคุณจะเพิ่งสมัครมาใหม่เลยนะครับสดสดร้อนรอเลยนะครับคุณก็จะมีลิงก์อยู่ที่หน้า Dashboard ของเรานะครับเพราะฉะนั้นนะครที่หน้า Dashboard นะครับเราจะมีลิงก์อยู่นะครับทุกคนมีลิงก์หมดนะครับทุกคนจะมียูเซอร์หมดนะครับสิ่งที่พึงระวังก็คือว่านะครับณตอนนี้นะฮะสิ่งที่พึงระวังเลยนะครับสําหรับการสมัครสมาชิกนะครับคือเวลาที่คุณจะสมัครอ่ะให้คุณดู อย่างที่หนึ่งนะครับเลือกเพศได้ไหมเลือกเพศได้ไหมนะครับอ๋อก่อนเลือกเพศคุณต้องกดยอมรับเงื่อนไขก่อนกดยอมรับเงื่อนไะขแล้วก็กรอกผมพูดถึงเรื่องกรอกนะเพราะว่าปัญหาในในยุคสองจุดศูนย์ของเราเนี้ยนะครับมันจะหมดไปแล้วนะครับในเรื่องการการค้างการเด้งนะครับทีนี้ผมต้องบอกก่นกอนว่านะครับกรอกเนี่ยก่อนกรอกเนี่ยถ้านะให้ดีนะฮะ ให้ดูช่องเลือกเพศเลือกประเทศก่อนนะครับแล้วก็ไปดูในส่วนของสปอนเซอร์นะครับสปอนเซอร์ว่าถูกไม้รหัสถูกไม้ชื่อถูกไหมนะครับจากนั้นไปดูที่อัพไลน์ไอนะครับอัพไลน์ตรงนี้เอาอย่างนี้ก่อนอัพไลน์ไอเนี่ยณตรงนี้นะครับหมายถึงว่าเราใช้ออโต้นะครับคือคอมจะเพสออโต้นะครั บ, รบแสดงว่าสิ่งที่คุณจำเป็นต้องดูเลยฮนะมันต้องติ๊กถูกสองอัน มันต้องติกถูกแบบนี้สีเขียวเขียวอ่ะสองอันนะครับตรงสปอนเซอร์อกับอัพไลน์อดีนะครั บ, ร บ, ID, รบจากนั้นคุณก็กรอกสมัครได้เลยนะครับพอกรอกเสร็จปุ๊บ ก, กรอกเสร็จปุ๊บนะฮะคุณก็จะได้ User อร์ e ม า, มา User อร์เมอร์ของเราเป็นรหัสอะไรฮะทีเอตามด้วยตัวเลขใช่ไหมฮะอ่ะ กับพาร์ตส่วนสี่ตัวซึ่งในอนาคตเดี๋ยวพาร์ตส่วนคุณจะเปลี่ยนได้นะครับคุณไม่ต้องห่วงนะครับพาร์ตส่วนนะตอนนี้เป็นตัวเลข4ตัวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะให้คุณเปลี่ยนเองนะครับไม่ต้องห่วงเลยอาจจะอยู่ในยุค 2.0 นี่แหละนะครับเปลี่ยนเลยนะครับทีนี้นะให้คุณพยายามบอกสื่อสารกับทีมงานด้วยที่เขาสมัครเองว่าให้แคปหน้าจอหรือจดไว้นะครับพยายามให้สื่อสารตลอดเน้นย้ําเลยนะครให้สื่อสารก่อนเสมอหลังจากที่เขากด sign up แล้วนะครับให้ ให้แคปหน้าจออหรือจดไว้ก็ได้นะเพื่อจะได้ไม่ต้องหายนะฮะไม่งั้นนะครเรามันไม่เสียอะไรแต่มันจะเสียเวลานะครับเพราะว่าเราต้องไปตามที่เซ็นเตอร์ให้เซ็นเตอร์ดูรหัสให้นะครับว่ารหัสที่หายไปคืออะไรนะครับทีนี้อย่างนี้ครับพอหลังจากที่เราสมาัครสมาชิกเสร็จแล้วเนี่ยได้ยูเซอร์เสร็จแล้วเนี่ยสําคัญเลยบางคนเน่ย เ, เขาเรียกว่าเลือกใช้เบราว์เซอร์ไม่ถูกเนาะผมวิธีการใช้งาน จดนะฮะจดนะฮะถ้าใครกลัวลืมจดนะครับเบราว์เซอร์ที่คุณต้องใช้นะครับคือ c h r o นะผมแนะนำโ o m e นะฮะกับ f i ล์ f o x นะครั บ, บ, Firefox, รบสองตัวนี้เท่านั้นนะครับที่แนะนำนะครับถ้าสังเกตนะครับใครที่กดจากลิงก์เข้าไปเนี่ยแล้วไปล็อกอินที่ w วอร์ไวด์เว็นะฮะเพจคิวคิวเนี่ย ถ้าใครกดจากลิงก์นะฮะลิงก์ในลายลิงก์ในที่อื่นๆนะฮะคุณจะรู้เลยว่ามันค่อนข้างชา้าแต่ว่าวิธีการใช้งานผมแนะนำไม่ใช่โ Chrome ลยฮะคโคลกับไฟ r ล f o x นะครับเปิด w w w บไซต qq.com เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครมาถามว่าบริษัทอยู่ไหนเนี่ยฮะอยู่บน w w w บไซต์เพ qq.com นะครับอันนี้คือช่องทางธุรกิจของคุณนะครับเดี๋ยวนะฮะมีคนแอดมาหรือเปล่าไม่มีนะ ม, มีด้วยเหรอกดรับแล้วนะฮะโอเค ทีนี้นะครับหลังจากที่เราเข้าไปแล้วเนี่ยนะฮะการใช้งานนะครับนะครับเข้าไปที่ w วอร์ไใช่ไหมฮะเพจคิวนะครับเข้าไปแล้วเราจะเจอหน้าโฮมก่อนหน้าโฮมนะฮะหน้าโฮมให้กดคําว่าดัชบอร์ดครับ แล้วคุณจะเจอช่องล็อกอินนะครับให้คุณกดคำว่า Dash บอร์ดนะครับคุณจะเจอช่องล็อกอินนะให้ใส่ T H ที่เข้ามาเมื่อกี้นี้นะที่ได้มาเมื่อกี้นี้นะครับนะฮะแล้วก็ใส่ยูสใส่พาสเวิร์ดสี่ตัวนะครับเมื่อกี้นี้นะครับที่เราได้แคปไว้ by, นะครับจากนั้นคุณก็จะเข้าไปสู่หน้า d a s h บ o a r d ของคุณนะครับอันนี้อันนี้คือสเต็ปที่1 นะครับกระบวนการนี้นะครับกระบวนการนี้เป็นเรียลไทมสามารถใช้งานได้เลยนะครับคุณจะมีลิงก์ที่สามารถส่งต่อได้เลยเช่นกันนะครับอ่ะทีนี้นะฮะอีกหน่อยนะครับผมจะต้องบอกอีกแบบว่าเงื่อนไขนะครับในการสมัครสมาชิกเนี่ยคุณจําเป็นต้องแนบสลิปนะครับภายใน48ชั่วโมงนั่นหมายความว่าแบบนี้ฮะการที่คนเนี่ยจะตัดสินใจเข้ามาสมัครนะครับเพจคิวคนะครับ เราจะมีอัตราการทดลองใช้อยู่ที่48ชั่วโมงนะครับหลังจาก48ชั่วโมงไปแล้วนะครับถ้าคุณไม่นั่สลิปนะครับภายใน7วันนะฮะจะตัดทิ้งนะครับรับรวม48ชั่วโมงนี้ด้วยนะครับแสดงว่าถ้ามีการทดสอบการใช้งาน48ชั่วโมงแล้วหลังจากนี้5วันคุณไม่มีการนั่งสลิปรหัสตัวนี้จะหายไปนะครับ T.S. ของคุณจะถูกระบบตัดทิ้งไปนะครับแต่ว่าณตอนนี้ยังไม่มีฟังก์ชันนี้นะฮนะณตอนนี้ยังไม่มีนะครับโอเคนะครับ ถ้างั้นแบบนี้ก่อนนะครับแสดงว่า48ชั่วโมงเนี่ยหรือว่าการตัดรหัส7วันเนี่ยนั่นหมายความว่านะครับเมื่อมีการแนบสลิป e อ r ร์มีการแนบผิดพลาดเนี่ยคุณยังมีเวลาแก้ไขให้อยู่ในภายใน7วันนะครับแบบนี้ปลอดภัยกว่านะครับแสดงว่ามีการทดลองใช้48ชั่วโมงนะครับแล้วคุณมีเวลาอีก5วันในการที่จะต้องแอดพูบรหัสตัวเองนะครับถ้าคุณไม่ใช้งานนะครับหลังจาก7วันมันจะตัดทิ้งไปนะครับจะไม่อยู่ในผังนะครับแต่ว่านะตอนนี้ยังไม่มีโอเคนะครับ เข้าใจกันเนา ะ, นะฮะทีนี้ครับกระบวนการที่สองนะอันนี้เมื่อกี้กระบวนการสมัครแล้วใช่ไหมฮะสมัครก็ไม่ยากนะฮะส่งลิงก์ให้การกรอกข้อมูลนะครับกระบวนการที่สองนะครับก็คือการแนบสลิปนะฮะหรือการจ่ายเงินนะฮะนะครับการจ่ายเงินง่ายมากนะครับหลังจากที่คุณเข้าไปที่หน้าดัชบอร์ดคุณแล้วนะครับจะเจอคํานึงที่เขียนว่า deposit นะฮะ ทีนี้ถ้าคุณกดเข้าไปในคำว่าเด POSITE เนี่ยหรือช่องแนบสลิปเนี่ยคุณจะเจอบัญชีของคนคนหนึ่งที่เป็นเซ็นเตอร์นะฮะจําไวด้ดีๆนะฮะการจ่ายเงินจ่ายที่เซนเตอร์เท่านั้นนะฮะเซนเตอร์เท่านั้นนะครั บ, ร น, น, น, รบนั่นหมายความว่า ท, ทุกการโอนที่เข้าไปเนี่ยไม่ว่าเซนเตอร์จะเป็นใครก็ตามแต่ฮจะมีบัญชีเซนเตอร์อยู่ใน Line ออฟสปอนเซอร์ของคุณนะครับเช่นณนะตอนนี้นะฮะมีของคุณธวันพรใช่ไหมฮะที่เราเห็นกันนะครับก็คือเป็นเซนเตอร์คนแรกนะครับเงินจะถูกโอนไปที่เซ็นเตอร์นะครับ เซนเตอร์จะมีหน้าที่แอปพูบรหัสให้เรานะครับอ่ะโอเคทีนี้ผมต้องบอกที่นก่อนว่านะครับการโอนเงินไปเนี่ยนะครับสำคัญเลยฮะเซนเตอร์จะแอปพูบรหัสให้เราได้ก็ต่อเมื่อหนึ่งนะครับเงื่อนไขนะครับหนึ่งนะฮะจดดีๆนะครับฟังดีนะฮะเซนเตอร์จะแอปพูบให้เราได้เงื่อนไขเป็นแบบนี้นะครับข้อที่หนึ่งเลยจะต้องเป็นเงินที่โอนเข้าบัญชีของเซนเตอร์เท่านั้น ในราคาหนึ่งพันนะครับเท่านั้นนะครับอันที่หนึ่งนะครับสองนะครับมีวันที่และเวลาชัดเจนเน้นย้ำเลยฮะวันที่และเวลาต้องมีทั้งสองอย่างนะครับหมายความว่าถ้าวันนี้คุณจะมีแค่วันที่นะฮะอย่างบางธนาคารเช่นเอฟนะครับจะไม่มีวันที่อยู่หรือใครที่โอนรู้สึกว่าจะเป็นกลุ่มของ เดี๋ยวนะฮะกลุ่มของพวกแบบสลิปการโอนแบบตามตามทั่วๆไปอะนะฮะที่ที่เอาเอาเอาง่ายๆเอาเอาให้มีเวลาเอาให้มีเวลานะฮะเอาให้มีเวลานะครับเพราะว่าเซ็นเตอร์เงินเข้าทุกนาทีนะครับเพราะฉะนั้นจําเป็นต้องมีเวลามากๆเลยะฮะใครที่โอนเอชเนี่ยสังเกตนะฮะจะมีแค่วันที่แต่ไม่มีเวลานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้คุณทําแบบนี้ฮะเมื่อคุณได้สลิปมาแล้วเนี่ยให้คุณเขียนเวลาเลยสมมติที่เป็นสลิปใช่ไหมฮะมันจะมีแค่วันที่ใช่ไหมให้คุณเขียนงี้เลยฮะ อันนี้ผมอยาให้ดูนะใครโอนกรสิกรนะครับตรงที่เขียนเป็นบันทึกให้คุณเขียน T.H. ด้วยนะครับ T.H. อะไรนะฮะของ T.H. อะไรไปด้วยนะครับหรือนะครับใครที่ใครที่โอนแบบกระดาษนะฮะโอนตามตู้อ่ะเวลาคุณจะถ่ายรูปให้คุณเอาปากกาเขียน T.H. ไว้ตรงหัวหน่อยนะฮะว่ารหัสอะไรนะฮะ คุณจะได้ไม่แนบสลิปซ้ำนะครับคุณจะได้ไม่แนบสลิปซ้ำนะครหรือนะฮะถ้าใครโอนของ s อสที่มันไม่มีเวลาบอกคุณต้องเขียนเวลาไปสมมุติเวลา 18.00 คุณก็ต้องเขียนสิบแปนย์ศูแบบนี้นะครับเอาโปรแกรมแต่งภาพก็ได้ครับแต่อย่าไปแต่งภาพอย่าไปเปลี่ยนรหัสอย่าไปอะไรนะฮะเพราะว่าเข้าข่ายการโกงนะฮะเข้าข่ายการทุจริตนะครับเพราะฉะนั้นเซ็นเตอร์รู้นะฮะเซ็นเตอร์ไม่มีพลาดนะครับเซ็นเตอร์ดูแลดูจากเวลาแล้วก็รหัสนะฮะรหัสต้องไม่ซ้้้้ําาาเเวลตอองขพรรมกัันนะคบ ถ้าถ้ารหัสมีการเปลี่ยนแปลงนะฮะหรือมีการโกงเกิดขึ้นนะฮะคือมันมีหลายเคสที่เกิดขึ้นนะครับที่มันมีการเอาสลิปเดิมมาเปลี่ยนนะฮะเพราะฉะนั้นเซ็นเตอร์เขาจะไม่ให้ผ่านนะฮะเขาติดต่อกลับไปทันทีนะฮะเข้าขายการชุจริดนะครับอ่ะฉะนั้นนะฮะสรุปก็คือนะครับเมื่อมีการแนบสลิปแล้วนะครับระบบอัตโนมัตินะฮะหลังจากที่คุณแนบไปแล้วเนี่ยคุณแอดแท็ไปแล้วปุ๊บเนี่ยระบบอัตโนมัติมันจะบอกว่าอปพูดไม่เกิน2วัน 2วันก็คือสี่สิแปดชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องถามผมนะครับว่าพี่ผมแนบไปแล้วเมื่อเช้ารหัสยังไม่แอปพูบเลยเพราะว่าเราใช้กระบวนการการแอปพูไม่เกินสี่สิบแปดชั่วโมงนะครับแต่คุณสามารถเอาลิงก์ของคุณให้คนอื่นสมัครได้เลยคุณสามารถโพสต์คอนเทนต์ได้เหมือนเดิมเลยนะครับคุณสามารถทำทุกอย่างได้เหมือนคนปกติเพียงแค่ว่าถ้ารหัสคุณยังไม่แอูเงินมันก็จะยังไม่เข้าไปที่ผู้สนับสนุของคุณ หรือถ้าเรามีทีมงานของเราแล้วทีมงานของเราเนี่ยรหัสจะไม่อัพพู๊นะครับเงินมันก็จะยังไม่เข้าใน wallet ของเราในช่องบุปองของเรานะครับเพราะฉะนั้นนะฮะผมสรุปนะครับการโอนต้องโอนเข้าบัญชีเซ็นเตอร์เท่านั้นนะฮะมีวันที่และเวลาพร้อมนะครับรหัสจะอัพพลู๊ไม่เกิน2วันนะครับไม่เกิน4 8ชั่วโมงนะครับถ้าให้ดีที่สุดคือเขียนยูสเนมนะครับของแต่ละอันนะครับลงไปในสลิปนั้นด้วยนะครับกรณีที่โอนหลายสลิป ปั๊บไม่ใช่โอนน่ะสโอนหลายรหัสให้คุณทําแบบนี้ฮะสมมติที่เป็นสลิปของคุณนะเป็นสลิปของคุณนะครับขุดโอนไปเลยขุดโอนสี่รหัสคุณโอนสี่พัน 4, นะครับให้คุณเอ่ย เ, เขี ย, น, น, ะะเขย น, นเนี่ย th นะฮะเขียน th ลงไปในนี้ฮะให้ครบสี่รหัสเลยฮนะให้ครบสี่รหัสเลยฮะ แล้วแนบทั้งสี่รหัสนี้เลยฮะแนบสลิปตัวเดียวกันเนี้ยแนบทั้งสรหัสนี้ฮะแสดงว่ารหัสที่1ก็ต้องแนบรหัสที่2ก็ต้องแนบรหัสที่3ก็ต้องแนบรหัสที่4ี่ก็ต้องแนบนะครับไม่ใช่แนบมารหัสเดียวนะฮะถ้าแนบมารหัสเดียวแล้วเห็นเนี้ยแอปเซนเตอร์แอปพูดรหัสที่เหลือไม่ได้นะครับต้องแนบมาทั้งสาอันนะครับเอ่อแนบมาให้ครบเลยทั้งสี่อันนะครับอันเดียวสลิปอันเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะถ้าคุณเข้าใจจุดเนี้ยนะครับคุณจะรู้ว่าเอ่อมันมันจะไม่ขาดตกบกพร รับนึงนะฮะ <c oughs> ต้องกดรับเนาะพยายามจะไม่กดรับอะแต่อดใจไม่ได้จริงอยากให้ทีมงานมีความรู้นะฮะอยากให้เข้าใจกระบวนการนะครับโอเคถ้าเนั้นนะครับในเรื่องของสมัครสมาชิกแล้วก็การจ่ายเงินนะครับเรียบร้อยนะครับโอเคนะฮะสี่สิบปดชั่วโมงนะครับถึงแอป r o ิเคชันะครับนะฮะตัวที่สามนะครับเรื่องการถอน การถอนคิวนะครับทีนี้ก่อนผมให้ทุกคนรู้เรื่องคิวก่อนนะฮะคิวนะครั บ, Q, นรบ1นคิวเท่ากับห้าสิบบาทแสดงว่านะครับเงินที่อยู่ในที่อยู่ในเพจคิวคอ่ะจะไม่มีเงินเป็นจํานวนเงินนะครับในในช่อง wallet เราจะมีช่องคิวคูปองใช่ไหมฮะคิวคูปองนะครับอยู่ใต้โปรไฟรล์นะฮะเราจะมีช่องนี้นะฮะช่องคิวคูปองนะครับเงินทุกบาททุกสตางค์ที่เกิดขึ้นจากไรายได้ข้อที่หนึ่ง ถึงข้อที่ห้านะครับนะครทุกอย่างนะครับเมื่อมันแปลงเป็นเงินแล้วมันจะกลายเป็นคิวคูปองเสมอนะครับเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องถามนะครับว่าตรงเนี้ยคิดเป็นเงินยังไงตรงนี้คิดเป็นเงินยังไ ง, ง, งไทุกอย่างรวมให้เป็นคิวในคูปองหมดแล้วนะครับหักภาษีเรียบร้อยมูลหกักภาษีได้เรียบร้อยแล้วนะครับห้าเปอร์เซ็นนะครับหลายๆท่านเอ้ยมามาไอ้นี่ผมว่าเอ้ยมาถามผมว่า เทำไมแนะนำหนึ่งคนมันได้9้าจุดกว่าคิล่ะเพราะว่ามันมีภาษีรายได้ห้าซ็นต์นะฮะอันนี้ต้องจ่ายตามกฎหมายนะฮะตามกฎหมายเลยนะครับสําคัญนะฮะเพราะว่าถ้าคุณมีไรายได้แต่คุณไม่ได้จ่ายภาษีตามกฎหมายแล้วมาถึงว่าธุรกิจที่คุณทำนะเป็นธุรกิจที่ไม่ขาวนะฮะไม่ขาวสะอาดนะฮะโอเคไหมครับคุณต้องมีภาษีรายได้ห้าเปอร์เซนนะครับตัวนี้เอาไปลดหย่อนภาษีได้นะครับเมื่อถึงจุดจุดหนึ่งที่คุณมี มีรายได้มากจนถึงจุดที่คุณต้องเสียภาษีคุณจําเป็นต้องจดนิติบุคคลเพื่อลดหย่อนภาษีนะฮะใครที่ไม่เข้าใจเรื่องนี้นะครับแสดงว่าเขาไม่เคยมีรายได้เยอะๆจากเมดเวิร์ดมาร์เก็ตติ้งนะครับหรืออะไรก็ตามแต่นะฮะแต่อันนี้ผมต้องบอกงี้เลยนะครับว่าเมื่อคุณมีรายได้ถึงจุดจุดหนึ่งนะครับคุณจะต้องเสียภาษีตามกฎหมายนะครับซึ่งในอันเนี้ยนะฮะคุณต้องเอาภาษีหเปตรงเนี้ยไปลดหย่อนด้วยนะครับปลายปีปลายปีนะฮะ โอเคนะครับทีนี้การถอนเงินเป็นอย่างนี้ฮะเมื่อมีเมื่อมีคิวเกิดขึ้นในระบบใช่ไหมฮะช่องถอนของคุณนะครับคุณจะถอนได้ตรงช่อง w วิทย์ร w นะฮะตรงช่องการเงินนะครับวิ withdraw นะฮะ i t h d r a w นะครับตรงช่องการเงินนะครับหนึ่งเลยนะครับที่คุณต้องเข้าใจอย่างี้ว่าคุณถอนคิวได้นะครับตั้งแต่ห้าคิวขึ้นไป น, นะฮะถอนได้ตั้งแต่ห้าคิวขึ้นไป ตั้งแต่5คิวขึ้นไป5คิคือประมาณ250นะครับสิ่งหนึ่งครับที่คุณจะเจอในช่องวิดอคือนะฮะหลังจากหักภาษีแล้วนะครับคิวของคุณเนี่ยนะครับจะจ่ายไปที่รายได้ข้อที่สามนะฮะคือสปอนเซอร์ 10% นะครับเซนเตอร์ 2% นะครับเพราะฉะนั้นนะฮะทุกคนทุกคนอยู่ภายใต้เงื่อนไขเดียวกันหมดนะครับในการถอนคนะครับค่าค่าโอน ยี่สิบห้าบาทนะครับอันนี้ต้องบอกให้รู้นะครับเพราะว่าหลายๆคนอาจจะตกใจนะฮะอ้าวถอนฉันแนะนําคนได้ห้าร้อยนะครับแต่มันต้องเข้ากระบวนการนี้ด้วยนะฮะต้องเข้ากระบวนการนี้ด้วยนะครับแต่เงินได้แน่ๆลยครับไม่ต้องห่วงเซนเตอร์เมื่อมีการกดถอนเงินเสร็จปุ๊บนะครับอ่คุณให้ดูตรงนี้นะให้ดูตรงนี้นะฮะสมมุตินี่คือกล่องคิวของเรานะครัสมมุติมีอยู่ร้อยคิว ศูนยเลยนะฮะเมื่อมีการถอนเมื precis, no ่อมีการถอนคิวออกจากระบบนะครับเซนเตอร์เนี่ยนะฮะเซนเตอร์เขาจะเห็นคำสั e> ่งถอนแลวเขาก็จะตัดคิวตรงนี้ออกปึ้งสมมติคุณถอนร้อยคิวเลยเซนเตอร์ก็จะตัดเดี๋ย0ูนยะครับเซนเตอร์รับรู้แล้วนะครับกระบวนการ1ทับสามนะฮะเซนเตอร์รับรู้ปุ๊บมันจะเป็นกระบวนการ2ทับสมนะครับเมื่อเซนเตอร์โอน โอนเข้าบัญชีของคุณนะครับภายในไม่เกินฟังกีชันนี้ภายในไม่เกินสี่สิบแปดชั่วโมงนะครับเขาจะโอนเงินที่คุณถอนเนี่ยให้คุณนะครับสี่บแปชั่วโมงโอนเสร็จปุ๊บจะขึ้นในสเตปสามทับสามนะครับตรงช่องวิตรอนะฮะให้คุณสังเกตดูนะครับเข้าถึงสามทับสามนะครับอันนี้คือเงินเข้าบัญชีคุณแล้วเรียบร้อยนะครับโอเคนะฮะทีนี้ถ้าคุณอยากรู้ว่าเงินได้จากไหนบ้างนะครับให้ไปดูที่รายการเดินบัญชี และการเดินบัญชีจะอยู่ช่องการเงินนะครับอยู่ตรงนั้นเลยเวลาเข้าไปช่องในการเดินบัญชีเนี่ยคุณจะเห็นช่องนี้นะครับช่องข้างบนกับช่องข้างล่างอย่นี้ฮะมันจะมีอะไรสองพันสิบหกนะฮะครับเดือนนะฮะเดือนศูนเก้าวันนี้วันที่อะไรวันนี้วันที่สิบสอง่ะคุณจะเห็นแบบนี้นะฮะเห็นเหมือนกันนะครับสิบหกศูนย์เก้าสิบสองแบบนี้คุณจะเห็นเหมือนกันอย่างนี้ให้คุณเลือกฮะให้คุณเลือกเปลี่ยนวันเปลี่ยนเดือนช่องข้างบนอันนี้คืออดีต คือคุณอยากรู้ว่าการเดินบัญชีของคุณเนี่ยคุณอยากรู้ตั้งแต่ตอนไหนมาถึงปัจจุบันเนี่ยให้เลือกเปลี่ยนตรงนี้แล้วพอคุณกดรีพอร์ตปุ๊บมันจะมีมาให้หมดเลยึบทั้งหมดเลยนะครับโอเคนะฮะสำหรับเรื่องการถอนคิวนะครับกดที่ช่องวิีดรอร์นะครับเงินโอนเข้าบัญชีของคุณไม่เกินสี่สิบแปดชั่วโมงนะครับถอนได้ทุกวันนะฮะถอนได้ทุกวันเลยนะครับไม่มีกําหนดนะฮะว่าจะถอนตอนไหนถอนได้ทุกวันนะครับถ้าคุณพอใจจะถอน จะเก็บไว้ก็ได้นะครับจะเก็บไว้ก็ได้นะครับไม่มีใครบังคับนะครับโอเคนะฮะทีนี้ในอันที่สี่นะฮะอันที่สี่ก็คือการเกิดวิวนะครับในเรื่องของวิวและการเช็ควิวนะครับการเกิดวิวและการเช็ควิวนะครับวิวในที่นี้นะฮะ แปลว่าดูเน้นย้ำนะฮะวิวแปลว่าดูนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะคุณจะถามคำถามผมไม่ได้ว่าเอ๊พี่กดไลค์กดแชร์นับไหมไม่นับนะครับ view เท่ากับดูฮะคือคนที่กดมาดูเพจคิเท่านั้นนฮะนั่นหมายความว่าวันนี้คุณแชร์คอนเทนต์ของคุณอ่ะไปที่ Facebook คนมากดไลค์ที่ Facebook ของคุณไม่นับนะครับคนกดแชร์ออกไปเนี่ยไม่นับนะครับนั่นหมายความว่าเขาต้องมีการกดเข้ามาดูสมมติคุณ สร้างคอนเทนต์ไว้อันนึงเนี่ยในเฟซบุ o กเนี่ยนะครับอะไรเดียวกาแฟลดน้ำหนักสุกุณนะกาแฟลดน้ำหนักนะครับถ้าวันนี้มีคนคลิกเข้าไปดูแล้วมันเด้งไปขึ้นว่าเพจคิวๆเมื่อไหร่แล้วเห็นหน้ากาแฟลดน้ำหนักของคุณเนี่ยที่คุณสร้างคอนเทนต์ไว้นั่นแหละครับรับนับหนึ่งวิวนะฮะนับหนึ่งวิวนะครับหนึ view, น่งต่อหนึ่งวิวเท่านั้นต่อหนึ่งวันนะฟังดีนะฮะ หวิวเนี่ยนะครับคือหนึ่งอพีของคุณเนี่ยคือเครื่องใดเครื่องหนึ่งเนี่ยฮะเขานับแค่1วิวนะครับใน1วันนะครับได้เท่านั้นนั่นหมายความว่าถ้าวันนี้ผมอ่ะผมอ่ะคลิกเข้าไปดูคอนเทนต์ของเพื่อนคนเนี้นะฮะชื่อในเอนะครับวิวของผมเนี่ยก็จะไปอยู่ที่ในเอหนึ่งวิวถ้าผมไปคลิก ด, ดูคอนเทนต์ของใ น, นบีนะฮะในบีไม่ได้วิวจากผมละหมดแค่นั้นนะครับในหนึ่งวันนี้อ่ะถ้าวันถัดไปวันถัดมาผมไปคลิกของในบีก่อนในเอนะฮะ นายบก็จะได้วิวจากผมหนึ่งวิวคอนเทนต์ใดก็ได้นะครับถ้าสมมุติว่าคุณมีนะฮะคุณมีสิบคอนเทนต์คุณมีสิบคอนเทนต์นะครั บ, content, content, รบกับกับมือถือสองเครื่องแล้วกันอ่ากับมือถือสองเครื่องนะครับอันนี้คือเครื่องที่1อันนี้คือเครื่องที่สองนะฮะคุณส่งสิบคอนเทนต์เนี้ยไปในไลน์ของเครื่องที่หนึ่งไปในไลน์ของเครื่องที่สองนะครับแล้วเครื่องที่หนึ่งเนี้ยก็กดดูทั้งสิบคอนเทนต์ของคุณเลย ค ร, ครื่องที่สองก็กดดูสิบคอนเทนต์ของคุณเลยคุณจะได้ยอดวิวแค่สองวิวนะครับสองวิวนะครับเพราะเขานับแค่ IP นะครับโอเคฮะแสดงว่าวันนี้ที่คุณส่งกันในลน์ครับผมบอกแล้วว่าประโยชน์ที่มันเกิดขึ้นประมาณสองสเปซนแค่นั้นแหละที่จะมีคนกดเข้าไปดูแล้วเขานับวิวให้นะครับแสดงว่าการการส่งเข้ามาในลเนี่ยเป็นสิ่งที่ ท, ที่ที่ลบห้องกว่าปา อันนี้พูด ต, ตรงๆเลยฮะส่งเข้ามาในไลน์คือลบห้องฮะเพราะว่าการเปิดดูน้อยมากเปอร์เซ็นต์การเปิดดูคอนเทนต์ของคุณน้อยมากนะครับให้คุณส่งไปที่ไทม์ไลน์ยังจะดีวกว่านะฮะเพราะเพื่อนของคุณอาจจะมีเปอร์เซ็นต์ที่กดเข้าไปดูมากกว่ากดเข้ามาในห้องไลน์นะครับเพราะเขาไม่ได้อยู่ในห้องเรานะครับทีนี้ฮะการส่งคอนเทนต์ออกไปข้างนอกเนี่ยนั่นหมายความว่ามันเรียกทัปิกจากข้างนอกเข้ามาในคอนเทนต์ของคุณให้เกิดวิวแบบธรรมชาตินะฮะปั๊มวิวไม่ได้นะฮะที่นี่ปัมม๊มวิ โอเคเดี๋ยวผมกดรับสมาชิกท่านนึ่งนะฮะลบกวนไม่ต้องทักผมมานะฮะไม่ต้องทักผมในอินบ็อกซ์นะฮะโอเคนะฮะแสดงว่าความวิวไม่ได้นะครับให้เกิดวิวบบธรรมชาติแสดงว่าคอนเทนต์ที่คุณสร้างเนี่ยต้องเป็นคอนเทนต์ที่นะฮะอย่างที่ผมบอกนะครับว่าน่าสนใจมากพอนะครับแต่คุณต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนนะครับว่าหนึ่งวิวที่เกิดขึ้นหนึ่งวิวที่เกิดขึ้นนั่นหมายถึงเงินนะฮะ ผมไม่รู้แหละว่าจะมากหรือน้อยนะครับแต่หนึ่งวิวที่เกิดขึ้นในคอนเทนต์คุณไม่ว่าคุณจะไปกินข้าวมาคุณจะไปดูหนังฟังเพลงถ่ายรูปอะไรมาแล้ะโพสต์ลงมาเป็นคอนเทนต์เนี่ยหรือว่าคุณมีไอเดียดีๆนะครับถ้ามีคนกดเข้ามาดูนะฮะยังไงคุณก็ได้เงิ น, นเป็นลักษณะของน้ําสึมบอ่อทรายกินได้ตลอดชีวิตนะครับขอให้มีคนกดเข้ามาดูนะครับสแสดงว่าการแชร์คอนเทนต์เก่าๆของคุณนะครับก็สามารถทําเงินให้คุณได้เช่นกันถ้ามีคนคลิกเข้ามาดูนะครับ คือคอนเทนต์เราสร้างกี่คอนเทนต์ก็ได้โอเคไหมนะฮะวันหนึ่งเนี่ยเรสร้างกี่คอนเทนต์ก็ได้นะครับเดือนเดือนนึงก็สร้างกี่คอนเทนต์ก็ได้ปีนึงก็สร้างกี่คอนเทนต์ก็ได้ไม่มีไม่มีกําหนดหมดอายุนะฮะไม่มีกําหนดหมดอายุนะของคอนเทนต์คอนเทนต์จะมีอายุไปเรื่อยๆนะครับแล้วสะสมบิวให้คุณได้ทุกเดือนด้วยนะครับตัดยอดบิวทุกเดือนนะครับเดือนละหนึ่งครั้งนะครับทุกคอนเทนต์ที่คุณสร้างนะครับโอเคไหมฮะเงินจากคอนเทนต์ไปไหนนะฮะเงินจากคอนเทนต์นะฮะ แสดงว่าเมื่อสิ้นเดือนนะครัังนี้ฮะสิ้นเดือนตัดสิ้นเดือนนะครับตัดยอดวิวใช่ไหมตัดวิวนะครับสมมุติว่าเช่นวิวของวิวของเดือนสิงหาคมคือเดือนที่แล้วนะครับตัดวันที่แบบอะไรฮะตัดวันที่สามสิบเอดสิงหาเดือส่อคนะฮะตัดวันที่สามสิอดสิงหาแสดงว่าคอนเทนต์ของคุณทุกคอนเทนต์มันจะเหลือศูย์ใหม่เริ่มต้นใหม่ใช่ไหมฮะเงินเงินค่าคอนเทนต์เนี่ย เงินค่าวิวเนี่ยของคุณในเดือนสิงหามันจะมาออกวันที่หนึ่งถึงห้ากันยานยานะครับจากนั้นนะฮะในสามสิบวันของกันยายนเนี่ยคุณก็สร้างคอนเทนต์ใช่ไหมแล้วคุณก็มีคอนเทนต์เก่าด้วยใช่ไหมฮะถ้ามีการดูคอนเทนต์เก่าไปด้วยนะครับดูคอนเทนต์ใหม่ด้วยในเดือนนี้ยเขาก็มาคิดวิวให้คุณใหม่นะครับอ่าสมมุติจบแล้วจบวันที่สามสิบกันยานะฮะคอนเทนต์ของคุณนะครับเขาก็จะมาคิดเงินให้คุณในวันที่หนึ่งถึงห้าตุลาฮะหนึ่งถึงห้าตุ ไปแบบนี้เรื่อยๆโอเคไหมฮะการเช็คว okay, ิวนะครับวิววันนี้ให้ไปเช็คพรุ่งนี้หลังเจ็ดมงเช้านะครับวิวเป็นแบบวันนะฮะยังไม่เป็นเรียลไทม์ซึ่งอีกหน่อยจะเป็นเรียลไทม์เลยนะครับสบายใจได้นะฮะจะเป็นเรียลไทม์เลยนะครับณตอนนี้ให้คุณกดเช็คดูก่อนนะครับเช็คที่การเช็ควิวนะฮะจะเป็นเป็นรูปเหมือนเหมือนเหมือนแว่นขยายแบบนี้ฮะเหมือนแว่นขยายอย่างงี้นะฮะอยู่ข้างๆการเลยนะฮะการสร้างเพลนะให้คุณไปเช็คเวลาเช็คให้เลือกเดือนด้วยนะครับแล้วกดรีพอร์ อย่าลืมกดรีพอร์ตนะครับนะครับอย่าลืมกดรีพอร์ตนะฮะโอเคนะครับสําหรับเงินตรงนี้เรดวิวที่ออกมาอคุณดูอย่างนี้ก่อนนะเรดวิวที่ออกมาเนี่ยเวลามันออกมามันออกมาเป็นคิวให้แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องไปคิดคํานวณเป็นบาทนะครับมันออกมาเรดของวิวเนี่ยนะฮะมันคิดเป็นคิวให้แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นนะฮะเขาเอาคิวตัวนี้ไปคูณกับวิวของคุณเลยนะครับ แล้วมันก็จะออกมาเป็นคิวรวมทั้งหมดอันนี้คือคิวรวมของคุณนะครับสําหรับตัวยอดวิวตรงนี้นะฮะไปไหนฮะเงินตรงนี้ไปไหนไปอยู่ในกล่องคูปองเรียบร้อยแล้วครับไปอยู่ในกล่องคูปองเรียบร้อยแล้วนะฮะคุณไม่ต้องไปทําอะไรกับมันฮะมันไปอยู่ในกล่องคูปองเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นหน้าที่ของคุณคือถ้าคุณมีเงินคุณถอนเงินอย่างเดียวนะครับเรื่องเงินที่เกิดขึ้นเขาจะเอาไปใส่ในกล่องคูปองของคุณเรียบร้อยแล้วนะฮะโอเคนะครับสําหรับตัววิวคอนเทนต์ นะครับการคิดยอดวิวคิดแบบนี้นะครับส่วนเลทใครยังคิดเลทวิวไม่เป็นนะฮะให้ไปดูคลิปผมนะฮะให้ไปดูคลิปผมคลิป29นาทีก็ได้คลิปการตอบข้อโต้แย้งก็ได้นะครับจะมีอยู่ในนั้นทั้งหมดเลยนะฮะการคิดยอดวิวนะฮะว่าคิดเป็นเงินยังไงนะครับห้ามไปบอกว่าวิวละบาทวิวละอบาทมันเป็นเพียงการยกตัวอย่างนะฮะมันไม่ใช่เลทวิวจริงๆนะฮะเลทวิวจริงๆคิดจากกไรนะครับหารด้วยอัตราส่วนยอดวิวทั้งหมด นะครับโอเคนะฮะข้อที่สี่จบนะฮะการคิดยอดวิวนะับการเกิดวิวนะฮะวิวให้เกิดจากวิวธรรมชาตินะครับไม่มีการปั๊มนะฮะวิวธรรมชาติล้วนๆนะฮะทัฟิกจบนะจบไหมเรื่องยอดวิวอ่าเรื่องการสร้างวิวเดี๋ยวรอดูสมาชิกนิดหนึ่งนะฮะเดี๋ยวนะฮะับหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตดู ไลฟ์ตัวเองด้วยนะฮะจะได้ดูคําถามสมาชิกด้วยนะครับว่าถามอะไรมาบ้างนะฮะโอเคนะฮะโอเคนะครับผมไปต่อนะครับเรื่องที่ห้านะครับกระบวนการที่ห้าคือกระบวนการดูสมาชิกนะฮะการดูสมาชิกนะครับเห็นไหมว่าจะมีในช่องของ Market ็ตตเราอยู่นะครับที่มันจะมีสามัญนะฮะมีอะไรนะฮะ สายงานใช่ไหมสายงานแล้วก็มีแนะนําตรงใช่ไหมแนะนําตรงแนะนําตรงนะครับแล้วก็ตัวแบตเตอรี่นะฮะคือถ้าใครอยากเช็คผังให้ไปดูที่แบตเรี่นะครับแต่ผมแนะนํานยอ ย, ยอา่างนี้ก่อนคะรับว่าในผังแบตเรี่อ่ะมันจะยังไม่ค่อยเสถียรเอางี้ก่อนนะมันจะยังไม่ค่อยเสถียรมากนะครับมันจะมีมันจะมีขึ้นช้าบางยิ่งใครองค์กรเยอะๆมันจะยิ่งขึ้นช้านะครับอา่าแล้วก็ผมแนะนําว่าให้ไปดูตรงนี้นะครับ ดูตรงนี้เลยนะฮะดูตรงสมาชิกแนะนําตรงนะฮะอยู่ตรงช่องกลางนะดูตรงนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะคุณจะเห็นลิสต์รายการแนะนําตรงของคุณเลยว่ามีใครบ้างระดับที่หนึ่งระดับที่2ระดับที่3ระดับที่4ี่จะเห็นหมดเลยว่าเขาอปพรูฟหรือยังหรือยังไม่อปพรูฟจะเห็นหมดเลยเขาชื่ออะไรรหัสอะไรไปอยู่ตำแหน่งไหนนะครับบางคนถามว่านะครับอา้าวพี่ผมแนะนําตรงเขาอ่ะแต่ทําไมอัพไลน์ของเขาอ่ะไม่ใช่ผมล่ะนะฮะคืออย่างนี้นะครับคือตัวคุณเนี่ยนะฮนะ คือมันติดตัวคุณได้แค่สองคนคําว่าอัพไลน์ตรงเนี้ยเป็นเพียงตําแหน่งที่เขาอยู่เช่นสมมุติตัวคุณน่ยคือคนเนี้ยแล้วคุณก็มีนายเกับนายบอยู่ตรงเนี้ยนั่นแหะ ร, รหัสอะไรก็ไม่รู้ทีอะไรก็ไม่รู้นะฮะทีอสะไรก็ไม่รู้สมมติคุณสมัครนายซเข้ามาอีกคนหนึ่งนายซมันจะมาโผล่อย่างงี้ไม่ได้นะนายซมาโผล่ตรงนี้ไม่ได้มาโผล่ไม่ได้นะฮะแสดงว่าตําแหน่งของนายซอ่ะไม่ลงมา A ก็ลงมา b ีนี่แหละไม่รู้อยู่ตรงไหน แต่สมมติถ้าสมมติลงมา A นะฮะใน A รหัส TH อะไรนะฮะคำว่า upline นะฮะตำแหน่งคือ TH นั้นแหละครับคือใน C เนี่ยเขาจะลงมาอยู่ใต้ใน A เนี่ยใน A รหัสอะไรคําว่า upline ที่เกิดขึ้นในสมาชิกแน่นอนตรงของคุณเนะ่ยคือเขาอยู่ใต้ตําแหน่งของคนนี้นะฮะไม่ได้หมายความว่าเงินของคุณน่ยห้า้อยเน่ยจะจ่ายมาเข้าคนนี้ไม่ใช่ฮะเขาเป็นผู้สปอนเซอร์ของคุณเช่นเดิมนะแต่ตําแหน่งที่เขาอยู่อยู่ใต้ upline คนนี้โอเคไหมฮะคนนี้ได้หนเปอร์ซ็ะคนนี้ได้หนึ่งเอร์ซ็นต์ แต่ไม่ได้สิบเอร์นต์ะครสิบเอร์เซ็คุณได้เช่นเดิมโอเคไหมฮะจากรายได้ของเขานะฮะโอเคฮะสาหรับการดูสมาชิกนะฮะอ่ะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวพอพอเซิร์ฟเวอร์นะครับมันรองรับเสร็จสมบูรณ์เนี่ยคุณจะสามารถค่อยๆไล่ดูสายงานคุณได้ทีละสายเลยครับแล้วเดี๋ยวอีกหน่อยคาดว่าจะมีระบบการสแกนนิ่งนะฮะว่าทีมงานไปอยู่ตรงไหนบ้างนะครับคุณจะสามารถสแกนได้ว่าเขาอยู่ชั้นที่เท่าไหร่ของคุณเขาอยู่ตรงส่วนไหนอยู่ใต้รหัสใครนะครับ ที่สแกน n i n g นะครับจะมีนะฮะเพื่ออำนวยความสะดวกให้คุณด้วยนะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวนะครับก้อบหนึ่งนะฮะสวัสดีสมาชิกใหม่ด้วยนะครับที่เข้ามานะครับโอเคถ้างั้นอย่างนี้ฮนะในเรื่องของการสมัครการจ่ายเงินนะครับการถอนเงินนะฮะการเกิด วิวนะครับอ๋อผมกือบลืมนะฮะเออเวลาที่คุณสมัครสมาชิกเข้ามานะครับในคําว่าแนะนําตรงของคุณเน่ยนะครับมันมันจะขึ้นเร็วเลยฮะมันมันแป๊บนึงมันก็จะขึ้นชื่อมาแต่ว่าในผังมันจะยังไม่ขึ้นมานะฮะในผังไบตเตรี่ฮะมันจะยังไม่มี t ีอขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นนะฮะไม่ต้องถามผมนะฮะว่าเอาพี่ผมสมัครคนนี้แล้วอ่ะ เขาสมัครจากสปอนเซอร์คุณเขาต้องเข้าไปอยู่ในผังคุณแน่นอนล่ะนะฮะขอขอเวลาอัปเดตหน่อยนะฮะให้ให้ผังมันอัปเดตนิดนึงนะครับวันต่อวันนะฮะมันถึงจะขึ้นเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องไปดูในผังบตเตอรี่ะให้คุณมาดูในแนะนำตรงแทนนะครับพแนะนำตรงมันจะขึ้นเลยนะครับมันจะขึ้นมาเลยว่าทีเอสคนนี้ชื่อเท่านี้ใครยังไงอะไรยังไงเบอร์โทรแบบแบบไหนนะฮะอยู่ตำแหน่งไหนนะฮะโอเคนะฮะทีนี้อันที่6ก ที่หนะครับในเรื่องของซิสเต็มอัปเดตทีนี้ให้คุณเข้าใจอย่างนี้ก่อนว่านะครับพอพอมันเป็นช่วงเริ่มต้นเนี่ยมันจะมีการอัปเดตตรงเนี้ยนะครแสดงว่าเมื่อเมื่อมีการสมัครเข้ามานะฮะมีการสมัครเข้ามามีการใช้งานมากขึ้นใช้งานมากขึ้นมีการถอนเงินมากขึ้นนะฮะถอนเงินมากขึ้นเนี่ย แสดงว่าสิ่งหนึ่งที่มันต้องมีการขยายใหญ่ขึ้นเพราะว่าคนสมัครใช้งานทุกวันจริงไหมนะฮะใช้งานทุกวันจริงไหมรายได้มากขึ้นทุกวันจริงไหมมันจะเป็นต้องมีการขยับขยายเซิร์ฟเวอร์อัปเดตซิสเต็มจะจะต้องเกิดขึ้นนะฮะแสดงว่าอย่างนี้ครเมื่อมีการอัปเดตซิสเต็มเนี่ยมันจะเปลี่ยนเจนไปเรื่อ ย, ร, อยระบบมันจะขยายขึ้นเรื่อ ย, รอยครับแต่ว่าจะมีการแจ้งให้ทราบก่อนนะฮะเหมือนใครที่เพิ่งสมัครเข้ามาในช่วงวันของวันเงี้ยจะยังโพสต์ไม่ได้เพราะว่าซิสเต็มกาลังจะอัปเดตให้คุณไม่ต้องตก สิสเต็มกำลังจะจะอัปเดตนั่นหมายความว่ามันจะใหญ่ขึ้นไงมันจะใหญ่ขึ้นเละขยายขึ้นนะครับโอเคไหมฮะสอบตัว System มอัปเดตนะครับเพราะฉะนั้นฮะกระบวนการนี้ทั้งหมด6กระบวนการเนี่ยคุณจะต้องเจอนะฮะคุณจะต้องสมัครเป็นคุณจะต้องจ่ายเงินได้คุณจะต้องถอนเงินเป็นเข้าใจนะครับว่ามันใช้ระยะเวลากี่วันคุณต้องสื่อสารกับทีมงานของคุณด้วยนะครับฝากสื่อสารด้วยนะฮะเช่นคนนี้เขากําลังจะสมัครเขาต้องเขาต้องเอาข้อมูลอะไรบ้างเขาต้องดูอะไรบ้าง หลังจากเขากดใจอัพแล้วเขาต้องแคปหน้าจอนะครับนะฮะคุณต้องบอกเขาคุณต้องเป็นคนสื่อสารกับเขานะครับแต่เวอร์ชันสนย์คาดว่าคาดว่าจะมีระบบในการที่แบบให้ติ๊กอ่ะที่ผมบอกไปวันนั้นให้ติ๊กว่าแล้วก็มีตัวละเอใหญ่ๆอย่าลืมจดรหัสของคุณหลังจากกดใจอัพอะไรประมาณนี้แหละนะฮะเดี๋ยวเขาจะทําให้นะฮะโปรแกรมเมอร์นะครับทีนี้ผมเชื่อว่ายังไงก็มีคนลืมนะฮะผมเชื่อว่ายังไงก็มีคนลืมเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือคุณสื่อสารนะครับ อย่าให้ลืมฮะไม่ต้องรีบฮะสื่อสารฮะอย่าให้ลืมนะครับโอเคนะฮะทีนี้การถอนเงินนะครับก็48ชั่วโมงเช่นกันนะครับภาษีตามเงื่อนไขนะฮะเข้าในเรื่องของข้อกฎหมายชัดเจนนะฮะเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะฮะเรื่องจ่ายจากหนึ่งพันะฮะไม่เกี่ยวกับรายได้ของคุณนะครับแบตเจ่ายจากหนึ่งพันะฮะไม่เกี่ยวกับรายได้ที่คุณทำนะฮะจ่ายไปแล้วนะฮะจ่ายเท่านี้นะฮะเนะครับส่วนรายได้ของคุณจะมี ภาษีห้าเอร์เซ็นะฮะอันนี้เรื่องรายได้นะฮะคนละอันกันนะฮะนะฮะภาษีมูลค่าเพิ่มเจ็ดเอร์ซ็นกับภาษีรายได้ห้าเซ็คนละอันนะะอันนี้เขาจ่ายไปแล้วนะฮะไม่เกี่ยวครั้งเดียวจบนะครับครั้งเดียวจบนะครับแต่มูลค่าตัวรายได้ของคุณนะฮะต้องจ่ายตลอดนะครับเป็นเรื่องปกตินะฮะไม่ต้องไม่ต้องไปไอ้นี่มานะไม่ต้องไปวอรี่มันนะฮะเพราะยังไงคุณได้เยอะกว่าห้าปอร์ซ็นแน่นอนฮะรายได้คุณนะครับหากไปก็เหลือฮะโอเคนะครับ ทีนี้ฮะการเกิดวิวนะครับคุณก็ต้องดูในเรื่องของคอนเทนต์ผมอยากให้คุณดูดีๆนะฮะในเรื่องของการเกิดวิวนี่เพราะฉะนั้นเนี่ยพอลบอคอมสําคัญมากมีคนถามผมว่ากลัวกลัวละเมิดลิขสิทธิ์กลัวละเมิดลิขสิทธิ์จังคําว่ากลัวละเมิดลิขสิทธิ์นั่นหมายถึงคุณเนี่ยกําลังจะไปละเมิดลิขสิทธิ์คนอื่น เพจค q ไม่ได้ละเมิดลิขสิทธิ์ใครนะฮะเพจคิคือพื้นที่ที่คุณน่ยนะฮะให้เขียนเรื่องตัวเองไอเดียตัวเองรูปภาพตัวเองนะครับสิ่งที่เราอยากจะแชร์สิ่งที่เราจะชอบนะฮะบางคนไปดึงรูปของคนอื่นมาฮ ะ, ะมันมีลิขสิทธิ์นะครับคือบางครั้งถ้ามันเกิดขึ้นกันฟอ้องงจริงมันไม่ขำนะฮะเพราะฉะนั้นให้ระวังเรื่องพลบอคอมพิวเตอร์น ะ, ะโพสต์ภาพโป้เปือยอาจารย์นะครับหรือว่ากอลของคนอื่นมานะครับที่ที่เป็นพลบบคอมนะฮะ อายุต่ำกว่าสิบปดปีผู้ปกครองรับผิดชอบนะครับคือโซเชียลตัวนี้มันใครสมัครก็ได้นะฮะใครสมัครก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าอายุต่ำกว่าสิบแปดปีเมื่อเกิดการฟ้องร้องคดีความต่างๆปีต่างๆผู้ปกครองเป็นผู้รับผิดชอบนะครับนะฮะสิบแปดปีนะฮะผู้ปกครองรับผิดชอบไหฮะรับผิดชอบโอเคนะนะฮะสิบแปดบวกนะอ่าสิไม่ใช่สิบแปดบวกสิบแปดลงไปนะฮะผู้ปกครองรับผิดชอบนะครับโอเค ทีนี้ในเรื่องของ y o ยูทูบผมให้มองอย่างนี้ก่อน u t u b e นะฮะ u b e YouTube. youtube เนี่ยเวลาเราเอามาเวลาเราเอามาเราเอามา URL จริงไหมฮ ะ, ะแสดงว่าการดึง URL มานะครับมันมาทั้งยวง<ม>เหมือนเวลาที่คุณแชร์แชร์คลิปจาก YouTube ไปที่ Facebook เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ไมฮะไม่ละเมิดะเหมือนกันหมดนะะแสดงว่าเหมือนกับว่าคุณเอา URL ของ YouTube นะมาแปะในเพจ QQ เวลาเขากดเข้ามาดูฮะเขากดเข้ามาดูคลิปเนี้ยเขากดเข้ามาดูปึ้งมีคนกดเข้ามาดูมีคนกดเข้ามาดูทัฟฟิกวิ่งไปไหนฮะทัฟฟิกวิ่งมาที่ youtube ครับนะฮะเพราะฉะนั้นฮะเราได้ด้วย youtube ได้ด้วยเขาไม่กดเราหรอกครับเขายิ่งยินดีเลยฮะเพราะทัฟฟิกมันวิ่งไปวิ่งมาทัฟฟิกมันเพิ่มนะครับคือการใช้งานเพิ่มมีคนดูเพิ่มมีช่องทางการกระจายการดูเพิ่มเขายิ่งชอบครับ youtube ยิ่งชอบนะฮะโอเคนะครับอ่าการดูแลการดูสมาชิกนะฮะก็ ผมผมแนะนำส่วนใหญ่นะฮก็เท่าที่เห็นผมก็เห็นบริหารกันในกลุ่มไลน์ก็ค่อนข้างโอเคนะครับสิ่งหนึ่งที่อย่าให้ให้ดูแลกันก็คืออย่าอย่าทิ้งเขานะฮสอนเขาให้เป็นนะครับอ่ะทีนี้แหละนะฮะในเรื่องของกระบวนการนะครับคราวนี้สำคัญเลยนะฮะไฮโน้ตได้โน้ตเลยนะฮะกระบวนการการเข้าใจแสดงว่ามันเป็นแบบนี้มันก็จะมีเหมือนเหมือนเป็นเหมือนเป็นระบบเนาะ <c oughs> เป็นระบบนะฮะ <c oughs> ผมเข e <c treating you today> ียนใหม่นีกค่ะคือคุณต้องรู้ก่อนว่าการทำเพจคิวๆเนี่ยคุณจำเป็นต้องทำงานแตคนใช่ไหมฮะคนใหม่ๆเข้ามาเขาก็ต้องการข้อมูลในการตัดสินใจใช่ไเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบมันจะเป็นอย่างนี้ฮะรู้เข้าใจทำเป็น แล้วก็สุดท้ายคือส่งต่อได้ส่งต่อนะคือรู้เข้าใจทำเป็นส่งต่อมีเท่านี้นะฮะมีเท่านี้นะครั บ, ร, บรู้ต้องรู้อะไรบ้างฮะ ร, รู้หนึ่งเลยนะครับเขาเรียกว่าอะไรที่มาที่ไปประวัติเนื้อหาต่างๆนะฮ <_ s 1> ะ ค, คือรู้ว่าเพจ QQ คืออะไรนะฮะเพจค q คืออะไรนะฮะเพจคืออะไร <_ s> รายได้มาจากไหนนะฮะรายได้มาอย่างไงนะครับแล้วก็การใช้งานใช้แบบไหนนะฮะการใช้งานเข้าใจเนี่ยหมายความว่าเมื่อเขารู้แล้วนะฮะเขาต้องเข้าใจด้วยว่าอ๋อมันทํางานยังไงอ๋อมันเป็นแบบนี้นะคืออันเนี้ยคือต้องแบบบวกเลยฮะคือเขาเขาต้องคิดบวกนะคิดบวกเลยฮะคือเขาเข้าใจแล้วนอ๋อเออว่ะมันเป็นยังไงเขาต้องเขาเข้าใจด้วยว่าเออมันเป็นในเทรน มันเป็นในแบบยุคสมัยมันเป็นการใช้งานมันเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กนะฮะนี่ฮะเขาต้องรู้นะครับเขาต้องเข้าใจนะครับที่สาคัญคือพอเขาเข้าใจแล้วเนี่ยเขาจําเป็นต้องทําเป็นด้วยนะฮะส่งลิงก์สมัครสมาชิกยังไงนะครับแสดงว่าเวลาอ้อเโทษฮนะรู้รู้เข้าใจนะฮะเวลาที่เราเวลาที่เราสอนอสมาชิกของเราเนี่ยเรากจ็จำเป็นก็ต้องรู้เหมือนกันใช่ไหมว่าคนคนเนี้ย เขาต้องรู้อะไรเราควรจะเอาคลิปไหนให้เราควรจะเอาเนื้อเนื้อหาไหนให้เราควรจะตอบคําถามยังไงนะครับทําเป็นแล้วก็ให้เขาส่งต่ออะแต่ก่อนอื่นมาดูนี้นิดหนึ่งนะเมื่อกี้ข้ามไปคอยหนึ่งนะครับอะผมเขียนนี้ก่อนนะรู้มาที่เข้าใจที่ทาเป็นแล้ไปที่ส่งต่อ Okay. ะฮแสดงว่าเขาต้องรู้เนี่ยเนื้อหาจริงไหมเนื้อหาของเพจคิวคนะฮะเพจคิวคคืออะไรใช่ไหมรายไ ด, ได้นะฮะมายังไรนะฮะเข้าใจคือเหมือนกับว่ามันเป็นมาเป็นพวกเรานะเป็นพวกเรานะคือเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วอะ่น ะ, ะคือเข้าใจกันแล้วอะ่ะเออว่ะมันต้องทําแล้วอ คือกำลังจะลงมือทํานะกําลังจะลงมือทําแล้วน ะ, ะกำลังจ่านะกําลังจับน ะ, ะจากนั้นเนี่ยพอเขารู้เขาเข้าใจแล้วเขาก็จะทําแสดงว่าก่อนที่เขาจะทําเป็นเนี่ยนะฮะเขาต้องเขาก็ต้องรู้ใช่ไหมว่าเฮ้ยคือคือคุณเห็นไอ้คลิป5้านาทีไหมที่ผมบอกว่าเพจค q คืออะไรจริงๆอ่ะพอยนะั้นเน่ยผมไม่ได้ต้องการให้คนน่ยส่งคลิปเนี้ยไปให้เพื่อนนะแต่ผมต้องการคุยให้คุณเห็นว่า ผมผมพูดกับเพื่อนผมประมาณเนี้ยเพื่อให้คุณฝึกอะ่ะคื อ, ค, อคือไอคลิป5้านาทีเนี่ยที่ผมบอกว่าเพย q คคืออะไรอะ่ะที่ยกตัวอย่างเข้าบรรไก่อะไรพวกเนี้ยคือผมอะ่ะอยากให้พวกคุณอ่ะเข้าใจแล้วพวกคุณก็ไปสื่อสารแบบเหมือนในคลิปของผมอะ่ะคือพูดเองอะ่ะพูดกับเพื่อนคุณเองอะ่ะแต่ก็ไม่ได้ผิดนะฮะที่จะส่งคลิปผมไม่ให้นะฮะก็ยินดีนะครับแต่คือดีที่สุดคือคุณพูดเองใช่ไหมฮะอ่ะพอคุณพอคุณฝึกฝนจนคุณเข้าใจแล้วคุณทําเป็นแล้ว นะฮะทำอะไรบ้างอ่ะก็คือพูดเป็นน่พูดเป็นนะครับคิดรายได้ได้คิดรายได้นะฮะใช้งานนะครับใช้งานนี่หมายถึงสมัครโอนเงินแนบสลิปนะฮะสมัครโอนเงินแนบสลิปถอนเงิน Post view, โพสวิวอ่าโพสนะฮะเช็ควิวคือทําเป็นแล้วอ่ะตรงเนี้ยคือทําเป็นแล้วคุณก็จะไปส่งต่อพวกเนี้ยให้ให้กับคนอื่นๆของคุณได้ให้กับโพสเปกใหม่ของคุณได้นะฮะให้กับเพื่อนแล้วกันอ่าเพื่อนของคุณได้นะครับเห็นไหมฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมอ่ะทาพวกแบบคลิปไว้ให้หมดแล้วคือคุณสามารถไปดูคลิปของผมได้เลยแล้วเนี่ยก็เราก็จะมีการมาคุยมาเทรนนิ่งกันแบบเนี้ยตลอดเพื่อให้คุณเข้าใจกระบวนการของมันว่าเออว่ะมันก็ควรจะเป็นแบบนี้นะ นะเรามีคนใหม่เข้ามาเขาก็ไม่รู้อีหนุ่ยเนี่ยใช่ไหมเขาควรจะรู้อะไรบ้างเราก็ต้องส่งเนื้อหานั้นให้เขาดึงเขาเข้ามาในกลุ่มบอกเขาว่าในกลุ่มเนี้ยมีอะไรอยู่ตรงไหนบ้างคุณจําเป็นต้องบอกเขานะครไม่งั้นเนี่ยเขาก็จะมาถามแต่ผมนี่ยแหละนะครแล้วคําถามก็คือว่าวันนี้ใครดูแลทีมงานคุณได้เท่ากับคุณบางครั้งผมก็ทีมงานคุณคุณบอกให้เขามาคุยผมผ ม, ม่ดดดคับเานะ อ, กกอนนะ ร, ระมมวลวงนะนะลงตนะแส คุณจำเป็นต้องรู้ว่าในกลุ่ม l ล n e อ่ะมันมีเนื้อหาอะไรบ้างผมทำไว้ให้หมดแล้วเนาะเช่นลบก่อนนะบางคนน่ะยังไม่รู้เลยนะว่าวันนี้เพจคิวคิวอ่ะไม่ใช่บริษัทเพจคิววอ่ะเพจคิวเป็นซอฟต์แวร์เฉยของบริษัทอะไรฮนะ s ซ r ร์ฟ h o b i c ต้องรู้นะครับอยู่ตรงไหนฮะอยู่ในบันทึกครับในบันทึกมีหมดนะฮะเพ q มีล่ากเง้าออมาจากบริษัทเซิร์ฟโฟบิดนะฮะเป็นซอฟต์แวร์นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าใครวันนี้มาถามว่าบริษัทเซิร์ฟบริษัท p พจคิอยู่ไหนนะฮะเป็นเว็ไวยเว็บนะบแต่บริษัทเซิร์ฟโฟบิดอยู่ที่พัทยาเนาี่ยจดภาษีจดทะเบียนจดทะเบียนถูกต้องตามแพ่งละพาณิชย์นะฮะ เสียภาษีให้กับสมรกรบางละมุงนะครับเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องกลัวเรื่องผิดกฎหมายนะฮะเขาเสียภาษีถูกต้องนะฮะเสียภาษีถูกต้องนะครับนี่ฮะเซิร์ฟโปบิดนะฮะเซิร์ฟโปรบิดจำกัดนะฮะเสียภาษีถูกต้องตามกฎหมายนะฮะเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องห่วงนะฮะลักษณะการทํางานของเขามันต้องเป็นถูกต้องตามกฎหมายแน่นอนนะฮะโอเคนะครับเนี่ยต้องรู้ฮะอยู่ไหนอยู่ในบันทึกครับมีหมดเลยฮะหรือว่าบางคนฮะไปถามว่าเอ้ยแล้วมันแบบ สค บ, อ, บ อ, อะไรยังไงพวกนี้ฮะคุณก็ต้องตอบได้ด้วยคุณต้องรู้นะฮรว่าคุณควรจะส่งตัวไหนให้เขาดูคุณควรจะส่งคลิปไหนให้เขาดูเช่นถ้าเขาถามเรื่องข้อโต้แยง้งแบบคุณต้องส่งคลิปข้อโต้แย้งนะฮะอยู่ในไหนฮะอยู่ในบันทึกครับเอาไปให้เขาดูเลยฮะคลิปข้อโต้แย้งเนี้ยจะมีบอกอะไรบ้างฮนะผมงจําได้เลยมีในเรื่องของกฎหมายนะฮ ะ, ะมีในเรื่องของที่มาที่ไป ที่ไปนะฮะที่มาที่ไปของของเซิร์ฟฟบิทนะฮะของเซิร์ฟฟบิทของเพย์คนะฮะในเรื่องของกฎหมายนะฮะสคบนะฮะการเงินนะฮะการเงินระหว่างประเทศกองกันคังนะฮะแล้วก็ในเรื่องของอะไรอะลูกโซ่นะฮะลูกโซ่มันี้เกมนะฮะผิดกฎหมายนะครับผมก็จะมีตอบให้หมดฮะอยู่ในนี้หมดเลยฮะการคิดในรายได้ข้อที่สอง นะครับการคิดรายได้ข้อที่4นะฮะอยู่ในคลิปข้อตัวแย้งนะฮะมีอยู่ในบันทึกนะครับคุณต้องรู้นะฮะว่าถ้าเขาติดเรื่องไหนคุณควรจะต้องส่งคลิปไหนให้เขานะฮะให้เขาดูคลิปไหนจำเป็นมากนะครับทีนี้สำคัญเลยครัสำหรับสมาชิกใหม่บางครั้งเนี่ยคุณไม่ต้องรอนะว่าว่าว่าเขาจะจ่ายข้อมูลไหนคุณคุณอยากรู้อะไรคุณโ r รแอคทีฟในการที่จะเข้าไปดูเองได้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นอย่ารอคอยะอย่ารอคอยะคุณต้องมีคาว่าโปรแอคทีฟ ในการที่จะรู้ทั้งหมดนะครเพราะว่าวันนี้เราอยากแบบลงทุนต่ําๆแบบแต่แบบสําเร็จแบบมืออาชีพแบบ่บคุณจำเป็นต้องรู้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นให้คุณเข้าไปศึกษาในบันทึกนะครัลองใช้งานให้เป็นนะครับมันไม่ยากเลยนะครับฝึกพูดนะครับฝึกพูดฝึกแชร์ฝึกแบ่งปันนะครับโอเคนะฮะที่สําคัญก็คือฮนะในเรื่องของเนื้อาหานะครับที่จะเป็นเนื้อาหานะครับ คุณต้องรู้เนื้อหานะครับเนื้อหาอะไรบ้างนะฮะคุณต้องรู้ว่าคลิปมีคลิปไหนบ้างนะครับคลิปสมัครคลิปแงบสลีฟคลิปโอนเงินคลิปถอนเงินนะฮะนั่นแหละครับที่คุณต้องรู้นะครับคลิปข้อโต้แย้งนะฮะไลฟ์เมื่อเดือนที่แล้วเออเมื่อเมื่อครั้งที่แล้วคือเรื่องอะไรนะเออความเดี๋ยวนะถ้าผมจะไม่ผิดก็เป็นเรื่องอ่ามันมีทั really? ้งเรื่องความมั่นใจของรายได้นะครับแล้วก็มีในเรื่องของ อันที่แล้ววันที่เก้ารือเปล่าไม่แน่ใจเปิดดูน ะ, ะเปิดดูอยู่ในผมนะะี้ะฮะอยู่ในผมแล้วก็วันนี้นะฮะเรื่องกระบวนการนะฮ ะ, ะเรื่องคลิปนะครับอ่าพวกแบบการเดี๋ยวน ะ, ะที่สำคัญคืออย่างนี้ก่อนผมเห็นหลายๆคนเน่นะฮะเริ่มเริ่มโพสเรื่องรายได้ลงใน a c e บุ o กแล้วนะครับพยายามไม่โอเวอร์เซลล์จนเกินไปนะะอย่าโอเวอร์เซลล์นะฮะ เราจะไม่โอเวอร์เซลล์นะครับหรือว่าบางคนที่จัดประชุมกันนะฮะในระดับของเฮลมิตติ้งนะฮะไม่ต้องโอเวอร์เซลล์นะฮะให้คุณคุยข้อแท้จริงกับเขาเลยนะครับพยายามคุยข้อแท้จริงนะครับกับทุกคนนะครับที่ที่สนใจตัวนี้นะฮะให้ข้อมูลที่ถูกต้องนะครับแล้วคุณจะรู้สึกว่าเขาเขาก็จะทํางานง่ายเขาจะรู้สึกสบายๆคุณเพราะว่าคุณคุยข้อแท้จริงกับเขานะฮะคือคนน่ยมันรู้อะว่าใครแบบขี้โม่นึกออกไหมคือถ้าพูดมาแล้วรู้สึกฟังแล้วแบบขี้โม้มันก็ไม่อยากฟังจริง เพราะฉะนั้นไม่ไม่ต้องโอเวอร์เซลล์นะคุยสบายๆไปเลยที่เป็นข้อแท้จริงนะโอเคนะฮะเพราะว่าถ้าวันนี้ผมขี้โม้ให้คุณฟังคุณก็ไม่อยากฟังหรอกใช่ไหมเพราะคุณก็รู้ว่าเนนี้ขี้โม้พูดเหมือนโมดิเวตไม่ไ ม, ไม่เป็นต้องโมดิเวตนะเพราะ ว, าวันนี้เราคุยกันด้วยข้อแท้จริงนะครับโอเคนะฮะ เ, เดี๋ยวนะไฟไฟล์มันหนักใชหเห็นเห็นปะอยู่ไปดูหน่อยนิดนึงค่ะนายอยู่นายอยู่เนาะโอเค ทีนี้ฮะสำคัญมากสำคัญมากเลยนะครับในเรื่องของคำคำนี้แหละคาว่าส่งต่ออันสุดท้ายใช่ไมเมื่อกี้เรารู้เราเข้าใจเราทำเป็นใช่แล้วเราก็ต้องส่งต่อให้เป็นนะนั่นหมายความว่าเวลาที่มีการอัปเดตอะไรทุกๆครั้งฮะคุณต้องคุณที่เป็นผู้นำนะที่เป็นเจ้าของห้องกลุ่มไลน์นะฮะที่เป็นคนที่มีสิบคนขึ้นไปแล้วที่มีทีมงานสองคนสามคนสี่คนคุณต้องส่งต่อให้เป็นนะ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของข่าวสารไม่ว่าจะเป็นของเรื่องของวิธีการไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการไลฟ์สดแบบนี้ที่ผมกําลังที่ผม l ีดให้ทุกคนเนี่ยนะครับคุณต้องส่งต่อให้เป็นนะครับนั่นหมายความว่าเมื่อมีการจบการบรรยายทุกครั้งนะครับคุณต้องรีบแชร์กันทีการแชร์เนี่ ย, ยหมายความว่าคุณเนี่ยได้ฝึกไม่ว่าจะเป็นในลักษณะของการแชร์คําพูดหรือแม้กระทั่งการการแชร์ด้วยเนื้อหาข้อความเนี่ยเวลาที่คุณแชร์คุณจะได้มันจริงๆแต่ถ้าคุณ คุณรู้เสร็จปุ๊บเนี่ยคุณฟังตรงนี้เสร็จปุ๊บนะแล้วคุณก็เก็บไว้คนเดียวมันก็จะจบอยู่ที่คุณนั่นแหละฮะแต่ถ้าวันนี้คุณมีการแชร์หรือมีการแบ่งปันเนี่ยผมผมจะเข้าไปหลังจากที่ผมไลฟ์สดเสร็จพวกเนี่ยผมจะเข้าไปในห้องผู้นําเสมอฮะแล้วผมก็ถามว่าผู้นําแชร์แต่ว่าทุกคนก็จะเงียบๆทุกคนก็จะแชร์แบบคือเข้าใจไหมแชร์แบบยังไม่ได้ใจความอ่ะยังไม่ได้ออกมาจากสิ่งที่คุณได้จริงๆอ่ะนั่นหมายความว่าวันนี้ฮะธุรกิจที่เป็นการคุยกับคนเนาะ มันคือการแชร์링แอนแคร์ลิงเน่ยคือคุณกําลังแบ่งปันในในในความคิดของคุณคุณกําลังแบ่งปันเนื้อหาสาระคุณกําลังแบ่งปันวิธีการสร้างผลลัพธ์อ่ะเพราะฉะนั้นถ้าคุณแชร์ไม่เป็นคุณก็จะส่งต่อไม่เป็นนะต้องเริ่มฝึกนะฮะต้องเริ่มฝึกในการแบ่งปันผมก็ไม่ได้พูดเก่งอะไรนะฮะแต่ว่าผมแชร์เป็นผมส่งต่อในสิ่งที่แบบผมคิดสิ่งส่งต่อในสิ่งที่มันควรจะเป็นเป็นไงฮะ ก็เลยนะผมกาลังแชร์เรื่องพวกนี้ให้กับพวกเราอยู่นะครับฝากพวกเราแชร์สื่อสารต่อนะครับนั่นหมายความว่าวันนี้ถ้าคุณแชร์แล้วเนี่ยนะฮะมันจะเป็นการบ่งบอกคุณเลยนะมันจะเป็นการบ่งบอกคุณเลยนะว่าวันนี้คุณมีบริบทมีความคิดแบบไหนนะนะครับเราสังเกตได้ง่ายนะทาไมวันนี้บางคนเนี่ยจับไม้แล้วมือสั่นสั่นอย่างเงี้ยเลยนะบางคนจับแล้วมือสั่จับแล้วปากสั่นปากสั่นอย่างเงี้ยเพราะตื่นเต้นเคยเห็นคนแบบ ปากสั่นๆมือสั่นๆนะเพราะตื่นเต้นนะฮะคือเมื่อคุณเมื่อคุณมีการแชร์บ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆเขานี่ยคุณจะมีความมีความมั่นใจมากขึ้นพราะคุณมั่นใจมากขึ้นนะมันมันจะมีพลังในการที่แบบสื่อสารเพราะว่าวันนี้เวลาที่คุณจะออกไปคุยเพจคิกับคนคุณกําลังไปแชร์เพจ q ิให้ของคนฟังนะถ้าคุณไม่มั่นใจอ่ะเวลาที่เขามีข้อโต้แย้งมาคุณก็จะตอบแบบไม่มั่นใจเพราะว่าคุณไม่มั่นใจคุณเลยแชร์แบบไม่มั่นใจนะครับ ฉะนั้นนะมันบ่งบอกถึงข้างในคุณเลยว่าคุณกําลังมีความคิดแบบไหนบางครั้งเนี่ยบางคนกำลังบางคนหาคําพูดสวยหรูมาจากอินเทอร์เน็ตบางคนหาคำคําพูดสวยหรูมาจากของคนอื่นก็ตามแต่แต่วันนี้ถ้าวันถ้าถ้าคุณมีความเป็นเป็นเนี่ยคือบีอิงของคุณเองอ่ะคุณจะมีคําเหล่านี้หรือความคิดเหล่านี้ผุดขึ้นมาเองจากความสําเร็จของคุณอันนี้ผมพูดเรื่องจริง คุณจะมี being ออกมาคุณจะมีจะมีคำพูดที่เป็นความคิดของคุณที่เป็นที่เป็นโนเฮาเป็นเป็นการตกผลึกของคุณแล้วจริงๆจากการแช์นี่แหละครับแชร์บ่อยๆฮะแสดงว่าวันนี้คุณแชร์คุณได้อะไรบ้างคุณได้อะไรได้อะไรบ้างจากการคุยแบบนี้นะฮะจากการเรียนจากการทำอะไรใหม่ๆนะฮะคุณได้อะไรบ้างคุณก็แชร์ให้กับทีมงานของคุณ ทีมงานคุณก็จะได้รับรู้ว่าเออว่าต่อไปอ่ะเขาจะต้องมาดูสิ่งเหล่านี้เพราะว่ามันมันได้แบบนี้นะมันได้ความคิดแบบนี้การที่คุณแชร์ไปมันทําให้ทีมงานงคุณหรือคนของคุณเนะี่ยมีวิธีคิดมีวิธีการแล้วเขาก็จะขยายตัวเขาจะไม่กลัวนะครับแสดงว่ามันมีประโยชน์มากนะแสดงว่าวันนี้ฮนะการเข้ามาการเข้ามาใกล้ชิดการเข้ามาเฉลี่ยวความคิดของกันและกันเนี่ยมีมีผลมากนะครับเพราะผมต้องบอกก่อนว่า ผมเฉลี่ยความคิดพวกนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเองผมเกิดมาจากที่นะฮะเราอ่ะตกผลึกมาแล้วจากการเรียนไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งการแบ่งปันไม่รู้กี่ครั้งต่อกีกครั้งการเข้าคอร์ส d u c a t i o n ตัวเองไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งหนังสือไม่รู้กี่เล่มที่เราอ่านมาที่เราตกผลึกมาที่เราถูกหลีดมานะครับหลายปีนะครับตกผลึกมาแล้วนะฮะจนถึงมาบอกต่อได้นะครับเพราะฉะนั้นนะฮะอยากให้ส่งต่อนะครับสิ่งที่คุณรู้สิ่งที่คุณเข้าใจจากการที่ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตั้งแต่คลิป5นาทีคลิป29นาทีนะฮะการตอบข้อโต้แย้งนะครับความมั่นใจในเรื่องของรายได้นะฮะหรือแม้แต่กระทั่งครั้งที่แล้วนี่ผมพูดถึงในเรื่องของพวกอัปเดต s ิส t e เต็มต่างๆ น, นะครับแล้วก็จนมาถึงกระบวนการวันนี้นะฮะทุกอย่างนะครับหรือแม้แต่กระทั่งพวกแบบข้อความในพวกฟิวเจอร์วิชั่นเช่นในเรื่องของซิลิคอนบัเล่นะคุณมองเห็นยังไงคือแบบผมอยากให้ทุกคนน่สื่อสารแบบการแชร์ลิงก่ยอย่าไปแบบ เขียนเป็นข้อความแบบปกติปกติทั่วๆไปว่าเอ๊ะมันเนี้ยตอนพูดถึงเรื่องเนี้ยรู้เข้าใจทําเป็นส่งต่อเป็นเขียนแค่นี้จบอยู่แค่นั้นไม่ได้อะไรนะอยากให้แชร์จริงว่าเออวะฉันฉันเห็นอะไรฉันได้อะไรจากการเข้ามาทําแบบอย่างเงี้ยฉันจบจากฟังก์ชันที่กรุงเทพแล้วฉันมีความรู้สึกยังไงฉันได้เห็นอะไรแชร์ฮะแชร์ไว้ในกลุ่มครับ คนคนที่เขาได้อ่านข้อความคุณก็คือทีมงานของคุณนะเขาจะเห็นว่าเออว่ะวันนี้ผู้นําของเราอ่ะมีความคิดแบบนี้เราพร้อมที่จะเดินตามเรามั่นใจมากขึ้นแต่ถ้าวันนี้คุณคุณเฉยเฉยคุณจบไปเท่านั้นนะคุณได้โนฮาพวกนี้แล้วคุณก็จบไปคุณไม่มีการแชร์ต่อนะฮะมันก็จบลงอยู่ที่คุณเลยมันจะไม่มีการถูกส่งต่อไปเมื่อวันนี้มีอะไรที่มันพัฒนามากขึ้นนะคุณเห็นแล้วว่าเอออันนี้เป็นประโยชน์คุณต้องรีบแชร์คุณต้องรีบใส่ใจกับมัน ถ้าวันนี้คุณเห็นว่าทีมงานของคุณเากำลังขาดตกบกพร่องอะไรนะฮะหรือคนใหม่เนี่ยคุณกาลังอยากรู้อะไรเนี่ยคุณต้องรีบแชร์คุณต้องรีบโปรแอคทีฟในการที่จะที่ที่จะหามันนะฮะเพราะว่าอันนี้มันเป็นช่องทางทำเงินของคุณที่มันง่ายที่สุดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะถ้าไม่เข้าใจอะไรนะครับหรือว่าอยากจะได้อะไรเพิ่มเติมนะฮะหนึ่งเลยนะครับที่คุณควรทำนะครับคือถามผู้แนะนำคุณนะครับ อย่าไปถามคนอื่นนะฮะถามผู้แนะนำของคุณเลยนะครับถ้าเขาไม่รู้นะฮะให้เขาไปถามผู้ที่เขาแนะนำอีกทีนะครับค่อยๆไล่การเป็นล i n ออฟสปอนเซอร์มันจะเกิดความสัมพันธ์อย่างหนึ่งขึ้นระหว่างตัวคุณนะครับนั่นหมายความว่าวันนี้นะครับไม่ต้องถามผมก็ได้ฮนะเรื่องเอ๊ะคือบางครั้งเนี่ยมันมีคำถามแบบที่เป็นคำถามสแตนดาร์ดมากเลยนะเช่นเอ่อเช็คยอดวิวยังไงนะฮะหรือว่า เอ่อหนึ่งวิวเท่ากับกี่บาทครับพี่อะไรแบบนะี้ฮะคือมันเป็นคําถามมาตรฐานที่ที่จริงๆคนที่สปอนเซอร์คุณมาเขาต้องตอบได้เพราะฉะนั้นนะผู้ที่เป็นผู้นําคุณต้องรีบทําความเข้าใจทั้งหมดนะว่าเฮ้ยจุดเนี้ยมันคิดยังไงเฮ้ยจุดนี้มันเป็นยังไงนะครับไอสามยี่สิบชั้นของเรานะฮะมันยี่สิบร้านมันมาอย่างไงนะครับแล้วแพสซีฟเดือนละหกร้านเป็นยังไงนะครับหรือแม้กระทั่ง Service System นะฮะหกคิวบริหารแบบไหนนะครับ คุณต้องทําให้ทีมงานของคุณรู้นะครับว่าคุณเป็นผู้นํานขเขาคุณเป็นคนที่ชวนเขาไปแล้วนะฮะแล้วเขาก็เชื่อใจคุณนะครับวันนี้เนี่ยการส่งคุณมาคุยกับผมไม่ได้ช่วยอะไรนะครับสิ่งหนึ่งฮะที่ที่วันนี้เขาจะเชื่ อ, เ ข, เ, อเขาจะเชื่อมั่นในตัวคุณมากกว่าเชื่อมั่นในตัวผมนะฮะวันนี้ผมมาเป็นเพียงเป็นเพียงเสาหลักทำความคิดให้นะครับว่าว่าเราพิสูจแล้วว่าเพจคิ Q อะ่ะเราพิสูจน์แล้วว่ามันได้ไรายได้มันทําเงินได้จากการใช้แบบนี้ ผมเพียงแค่วันนี้ส่งต่อวิธีคิดของผมให้กับผู้นําของผมนะครับคนที่เข้ามาทุกคนผมยินดีให้ความรู้หมดนะครับให้ให้วิธีการทั้งหมดให้ความเชื่อมั่นทั้งหมดนะครับแต่สิ่งหนึ่งฮะที่ที่คนของคุณจะเชื่อมั่นและดูแลกันได้ดีที่สุดก็คือคนที่คุณแนะนํากันนฮะคนที่คุณชวนเข้ามานะฮะคุณต้องไปซัพพอร์ตเขาคุณต้องสอนเขาให้เป็นนะครับอยากฝากไว้นะครับในเรื่องของกระบวนการนี้นะฮะเพราะฉะนั้นนะครับสุดท้ายนะครับ สุดท้ายเลยนะผมจะให้แกนผมจะให้แกนคุณเลยนะฮะถ้าคุณเข้าใจแกนแกนนี้นะคุณจะรู้เลยว่านะฮะสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่เนี่ยนะครับมันจะทําให้คุณสบายไปตลอดชาติเลยสแสดงว่าวันนี้ฮะสิ่งหนึ่งที่คุณต้องรู้เลยครับว่าคุณกําลังจะทําบางสิ่งบางอย่างเพื่ออะไรนะฮะความสําเร็จจริงไหมความสําเร็จ เพราะฉะนั้นนะความสําเร็จไม่มีไม่มีเป็นสําเร็จรูปคุณต้องสร้างเองสร้างยังไงฮะคุณต้องเข้าใจยอย่างนี้กับว่าว่าหลักสูตรของความสําเร็จเนี่ยมันเกิดจากการที่คุณนะฮะต้องทําบางสิ่งบางอย่างก่อนทาอะไรก่อนนะฮะเท่ากับผลลัพธ์อะไรโอเคนะฉะนั้นนะฮะให้คุณตั้งผลลัพธ์เลยครับว่าคุณอยากจะได้อะไรบ้างฮะเช่นคุณอยากได้เงินวละหนึ่งพันบาท คุณอยากได้ไรายได้วันละหนึ่งพันบาทนะฮะแสดงว่าคุณต้องทําอะไรล่ะถึงจะได้วันละหนึ่งพันบาทสปอนเซอร์วันละสองคนได้หนึ่งพันบาทไหมจริงไหมถ้าวันนี้คุณอยากได้วันละสองพันบาทคุณก็ต้องสี่คนจริงไหมถ้าวันนี้คุณอยากได้เงินหนึ่งล้านออาหนึ่งแสนก็ได้หนึ 1, ่งแสนคุณไม่ต้องไปสปอนเซอร์คนเอ่อเท่าไหร่นะสองหมืนคนนะฮะคุณไม่ต้องไปสองสองพันคนผมพูดผิด คุณไม่ต้องไปสปอนเซอร์คน 2,000 คนนะฮะคุณสร้างทีมงานของคุณนะฮะให้เขาเล่นเกม222นะไปเว็บหนึ่งอะ่ะเดี๋ยวคุณได้แสนเลยเชื่อผมสิเล่น222อนะ่ะแป๊บเดียวเดี๋ยวคุณเล่นแสนเลยจากอะไรนะฮะจาก 1% นะฮะ20ชั้นจาก 10% นะฮะในการถอนคิวนี่ฮะแป๊บเดียวเดี๋ยวมานะฮะหนึ่งแสนเล่นเลยฮนะ222นะฮะยิ่งคุณมีผู้แนะนำตรงเยอะเท่าไหร่คุณยิ่งได้ 10% มากขึ้นเท่านั้นนะ ยิ่งคุณมีทีมงานที่เขาทํางานเป็นเหมือนคุณเท่าไหร่คุณยิ่งมีหนึ่งเอร์เซ็นยี่สิบชั้นมากขึ้นเท่านั้นนะยกตัวอย่างฮะถ้าวันนี้คุณเนี่ยอยากได้เงินสักยี่สิบล้านคุณก็รู้ใช่ไหมว่าวันนี้สองสองสองเนี่ยคือคุณทำสองสองอ่ะวันหนึ่งอ่ะมันได้ยี่สิบล้านจริงจริงใช่ไหมคือวันนี้คุณเอาผลลัพธ์ตั้งแล้วคุณก็หันกลับมาดูว่าคุณควรจะได้คุณควรจะทํำยังไงนะครับอ่ามืนที่ผมยกตัวอย่างไปนะฮะแสดงว่าถ้าวันนี้ยคุณทําเงินวันละหนึ่งพ เดือนหนึ่งสามสิบวันคุณมีเงินสามหมื่นโอเคขึค้นไหมถ้าคุณทําวันละสองพันคุณมีเงินเดือนวันละหกหมื่นเดือนละหกหมื่นชีวิตคุณโอเคขึค้นไหมอีกกระเป๋าหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้คุณรู้แนละ้วคุณตั้งเป้าเลยฮนะคุณจะทําเดือนเท่าไหรนะ่หรือว่าถ้าคุณโฟกัสยีสิบล้านเหมือนผมเนะี่คุณจะรู้เลยว่าผมทําอะไรบ้างในแต่ละวันนะฮะ ทำไมผมถึงต้องต้องให้ทุกคนเข้าใจเพราะว่าวัาวนนี้ผมโฟกัสที่ตรงนี้นะครับโฟกัสที่แพสซีฟเดือนละหกล้านบาทต่อเดือนนะครับนั่นหมายความว่าถ้าวันนี้ผมโฟกัสนะครผมโฟกัสแค่หนึ่งหมืนบาทต่อเดือนผมบอกเลยนะว่าทีมงานที่อยู่ข้างล่างผมเขาไม่มีที่ยืนนะเพราะว่าหนึ่งมืนบาทต่อเดือนแสดงว่าผมทํางานน้อยมากนะครับวันนี้ผมโฟกัสใหญ่เพื่อให้ทุกคนมีที่ยืนนะครับ แสดงว่าทุกๆคนก็จะมีสามเหลี่ยมของตัวเองเช่นกันนะครับไม่ไม่ใช่ไม่ใช่วันนี้คุณมาอยู่ในสมเหลี่ยมผมแล้วคุณจะจบแค่ตรง น, นี้นะฮะไม่ใช่นะฮะบางคนเข้าใจผิดนะฮะคุณมีสามเหลี่ยมยี่สิบล้านของคุณเองนะครับโอเคไหมฮะวันนี้นะฮะอยากได้ผลลัพธ์อะไรนะครับลงมือทําให้สอดคล้องกับผลลัพธ์ที่คุณอยากจะได้นะครับตั้งเป้าหมายแล้วทําซะนะครับโอเคนะฮะทีนี้ถ้าคุณตั้งเป้าหมายแล้วคุณทําคุณก็จําเป็นต้องรู้ใช่ไหมฮะว่าระบบมันอะ นะฮะมีอะไรบ้างนะครับคือตรงเนี้คยงง ค, คุณต้องสปอนเซอร์ยังไงนะฮะคุณต้องส่งคลิปไหนนะครับคุณต้องชวนกี่คนคุณต้องเข้าใจเรื่องวิวค content คุณต้องรู้เรื่องการถอนเงินการแนบสลิปทุกอย่างนะตั้งนะฮะตั้งเป้าหมายนะฮะตั้งเป้าหมายแล้วทำจ้ะตั้งเป้าหมายแล้วทานะครับ ในลู่ทางที่สอดคล้องที่นี่ไม่มีอะไรเลยฮะง่ายมากนะครับง่ายมากๆากจริงๆคุณไม่ต้องไปผ่าแผนอะไรง่ายมากๆนะครับเพราะฉะนั้นนะครับอย่าลืมฮะจบจากคอร์สคอรนี้นะครับจบจบจากไลฟ์นี้ไม่ใช่คอร์สนี้จบจากไลฟ์นี้เนี่ยผมอยากให้ผู้นําทุกคนนะครับที่อยู่ในกลุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งกลุ่มใหญ่นะครับกลุ่มย่อยนะครับอยากให้คุณเนี่ยแชร์กับทีมงานของคุณหรือว่าทุกคนที่เป็นคนใหม่นะครับคุณเห็นอะไรนะครับให้คุณแชร์ นะครับเข้าไปนะครับคือไม่ต้องอายที่จะแชร์ครับผมเชื่อว่าแรกๆมันอาจจะแชร์ยังไม่ได้ใจความมากหรอกอาจจะแชร์ยังไม่ไม่อิมแพกไม่ไม่สั้นกระชับอิมแพกมากหรอกนะครับแต่ผมเข้าใจว่าการแชร์เนี้จะเป็นการเริ่มต้นในงานที่คุณจะฝึกในการสื่อสารที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะนะครับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่ที่เข้ามาดูไลฟ์นี้หวังว่าความรู้ตรงนี้กระบวนการตรงนี้นะครับคงเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับไม่มากก็น้อยนะครับ แล้วก็ก่อนไปนะฮะผมอยากจะประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับสําหรับทีมงานนะครับวันที่17นะครับ17สิงหา17กันยานี้นะที่สิงห์บุรีนะครับจะมีประชุมนะครับรู้สึกว่าจะอยู่ที่ตัวเมืองสิงห์บุรีเลยนะฮะร้านไหนเดี๋ยวเดี๋ยวผมคงแจ้งให้ทราบถ้าใครมีทีมงานนะฮะอยู่ทางสิงห์บุรีอยู่ทางอ่างทองนะฮะอายุทยานะครับให้ให้ไปประชุมที่นั่นได้นะครับน่าจะเป็นนั้นผมไม่แน่ใจว่าร้านไก่ย่างชื่ออะไรสักอย่างเนี่ยผมจําไม่ได้นะฮะ เอาเป็นว่าเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงแจ้งไปในกลุ่มแต่ให้รู้นะฮะว่า17มีคุณพาคนเข้าฟังก์ชันเหล่านี้ยคุณจะไม่เหนื่อยมันเป็นระบบที่ทําให้คนอ่ะเข้าใจง่ายนะครับพอเข้าใจเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเขาก็จะทําแบบเข้าใจเลยนะก็เหมือนใครใครที่ไปฟังชันอ่ะใครที่ไปประชุมอ่ะแล้วแล้วเจอผมอ่ะคุณจะรู้เลยว่าเฮ้ยผมให้ข้อมูลอะไรแสดงว่าถ้าคุณถ้าคุณพาเขาไปเขาก็ได้ข้อมูลแบบเดียวกันกับคุณเขาก็จะเข้าใจกันเหมือนกันกับคุณเขาก็จะทํางานแบบเข้าใจเหมือนกับที่คุณเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นพาเข นะครับพามาเจอกันนะครับแล้วก็วันที่สิบแปดนะฮะวันที่สิบแปดเนี่ยจะจัดอยู่ที่โคราชนะฮะเปลี่ยนสถานที่นิดนึงนะฮะโคราจะอยู่ที่ราชพัฒโคราหรือเปล่าไม่แน่ใจะฮะราชภัฒนะนะัะที่มาหาลัยราชพัฏนะครับตอนบ่ายโมงนะฮะถึงบ่ายสี่โมงเย็นนะฮะข้อมูลอยู่ในกลุ่มแล้วนะครับวันที่สําหรับเมืองการนะฮะเมืองการวันวันพฤหัสนี้นะฮะเดี๋ยวเจอกันนะครับที่ร้านกาแฟคุณฝนนะครับวันพฤหัสนี้นะฮะ หัลทที่เท่าไหร่วะเดี๋ยวนะฮะดูแผนรับหนึ่งนะครับเพลทที่สิบห้านะฮะจอกันที่ร้านกาแฟคุณฝนนะครับสําหรับทีมเมืองการนะครับแล้วก็วันที่ยี่สิบสี่นะฮะวันที่ยี่สิบสี่กันยายนนะฮะที่เชียงใหม่นะครับอําเภอเมืองยังไม่ทราบโรงแรมนะฮะบัดราคาร้อยบาทนะครับที่เชียงใหม่นะฮะแล้วก็คาดว่าคนจะอยู่ประมาณสักร้อยห้าสิบคนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะ จะไม่ใช่ทีมงานของเราด้วยทีเดียวนะครับจะเป็นจะมีทีมงานสายอื่นมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะใครที่ต้องการพาคนของคุณพาตัวคุณนะครับเข้ามาเจอผมมาเจอผู้บริหารนะครับคุณมาริสาคุณโอมนะฮะของของภาคเหนือนะฮะที่เชียงใหม่นะฮะให้ให้มาเจอกันนะครับวันที่24นะครับเดี๋ยวโรงแรมแจ้งให้ทราบนะครับวันที่25ยังไม่มีคิวนะฮะยังไม่มีคิวนะฮะเพราะฉะนั้นจบเท่านี้ก่อนนะครับก็คือ15นี้เจอกันที่ร้านกาแฟคุณฝนเมืองการนะครับ สินี้สิงบุรีนะครับ18ที่โคาชนะครับราชภัฒน์โาชนะครับวันที่24เจอกันที่เชียงใหม่นะครับเพราะฉะนั้นภาคเหนือฮะภาคเหนือทีมงานเราเยอะนะครับภาคเหนือทีมงานเราเยอะเพราะฉะนั้นพาไปเจอกันนะฮะภาคเหนือต้องตื่นตัวนะครับภาคเหนือนะครับอย่ายอมแพ้เขานะฮะเขามาประมาณร้อยคนนะฮะเราก็ไปสักประมาณครึ่งหนึ่งเขาก็ยังดีนะครับห้าสิบคนนะฮะอย่ายอมแพ้นะฮะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะหลังจากจบคลิปนี้นะครับผู้นํานะฮะ ถ้าไม่แชร์ผมจะตีเลยนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวเจอกันนะฮะสวัสดีครับ